แป้งน้อยพีเค ก, <ทำ S 1> กรรบนักก า, ารข้าพเจจะบอกมีคนถามหนึ่งอันครับถ้าเราถ้าเราทำนั่งสมาธิเพื่อเพื่อแลกบุญเราจะได้บุญกลับมาไหมครับอ๋อไม่ต้องแรกกไ็ได้ได้ฟีๆเลยนั่งป๊อปก็ได้บุญเลยกรรมนักการค้าพจ้าอยู่ลูกพรอาจารย์ตอบอยู่ หนูนั่งสมาธิแล้วหนูจะได้ความสุขเนี่ยความสุขก็คือบุญดีไหมดีไหมหนดูดูนั่งสมาธิแล้วหนูรู้สึกงยงืงแบบตอนนั่งสมาธิก็ง่วงยิดตึงแต่ว่าอดทนอ่ดีต้องมีความอดทนถึงจะได้นะต้งสมาธิต้องมีความอดทนใจเย็นๆดีไหม ดีครับดีครัอาจารย์หนูเคยนั่งไหมยังนั่งทุกวันเลยใช่ไหมครับตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครั บ, บในพระอาจารย์คะเมื่อวานนั่งได้ตั้งสามนาทีครับน่าใจเลยสามนาทีใครบอกว่าสามนาทีอะ แ, แล้วแล้ว ก, ก็แล้วก็อีกนนอแล้วก็อีกวันหนึง่งเมื่อวานแล้วก็อีกวันหนึ่งดังสองนาทีอีกวันหนึ่งก็หนึ่งนาทีค่ับพะอาจารย์อ๋อ แล้ววันนี้จะเากี่นาทีใส่สีส่นาทีได้ไหมห้านาทีครับเอาว่าห้านาทีเอโอเคเขาตั้งเขาตั้งสิ่หลีเองเลยค่ะพระอาจารย์เนีแล้วเวลานั่งทํายังไงบ้างเนี่ยทำไงทําให้พระอาจารย์ดูดิในใจทํำอะไรบ้างคิดอะไรอยู่ในใจเมืานั่งพุโทโธครับอ่าพุโทโธนะอ่าต้องนั่งอยู่กับพุโทโธนะถึงเรียกว่านั่งสมาธิ ท่านนางละกิดถึงเวลาเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีนี้ไม่ใช่พูดไม่ใช่นางสมาธินะอย่าไปสนใจกับเวลาถึงเวลานู่นยังให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวถึงเวลาแม่เขาจะเรียกเราเองจจมีไหมพใจข้าพเจ้าโอเคมีอะไรอีกไห ม, ไ ม, มไม่มีอะไรตั้งถาม<อ>นั้นไม่ถามห ล, ลักไม่ไม่เอาล่ื เขาเขาคิดคําถามไว้ถามพระอาจารย์ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคะ่ะเขาบอกเขามีคําถามจะถามพระอาจารย์แล้วตั้งแต่ที่อาทิตย์ที่แล้วที่พระอาจารย์บอกว่าให้นั่งวันละหนึ่งนาทีเขาทําทุกวันเลยคะ่ะเจ็ดวันเต็มแล้วคะ่ะโอดีมากตอนนี้เพิ่มเป็นกี่นาทีสองนาทีใช่ไห ม, มวันละสองนาทีได้ไหมได้ไหมคะได้ครับพระอาจารย์โอเคตามตามดูนะคุณแม่เป็นคนเฟ้านะแม่จะขอบุณกินนิดนึงเลย กับนักศึกษาข้าพเจ้ามีแค่นี้เท่านี้โอเคจริงๆเขาบอกว่าเขามีสองคำถามค่ะอีกคำถามหนึ่งเขาคิดตั้งแต่เมื่อวันที่ฟังฟังฟังอะไรนะั้นฟังหลวงปู่โบกเกตเทศอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วเขาบอกว่าเจ้าจ๋าเจ้าจ๋าหนูอยากจะถามพระอาจารย์ว่าถ้าพ่อแม่เราตายไปแล้วแล้วเราถวะแล้วเราเอารูปพ่อแม่ไปทําแล้วเอาไปถวายพระ ชาติหน้าเราจะได้เจอพ่อแม่อีกไหมเพราะเราถวายสิ่งที่เราชอบอเขาบอกให้ทำอาจารย์ให้หน่อยอยากจะเจอพ่อแม่อีกค่ะเจอต้องมีต้องเกลี่ยพ่อแม่ถึงจะมาเกิดได้เขาบอกแล้วก็ถ้าเราถวายลูกพ่อแม่ให้พระรู้ว่าคนนี้คือพ่อคือแม่ถวายพระแล้วให้พระรู้แล้วชาติหน้าจะได้มาเจอพ่อแม่คนนี้อีกอย่างเนี้ยค่ะเขาบอกก็ต้องรอดูต้องลองดูลูกโอเคไหมเคลียร์ไหม โอเคทั้งกลับพระอาจารย์ก่อนไม่มีคําถามแล้วนะครับไม่มีแนละ้วไม่มีค่ะท่านครับพระอาจารย์พระอาจารย์รักการแข่งเลยนะคะอ่าขอบใจจ้าสาธุกลับนวัตการเจ้าค่ะพระอาจารย์อาทิตย์หน้าเ อ, อ่อวันศุกร์นี้จะขึ้นหนองคายกันค่ะอยากจะไปกลับหลวงปู่จันเรียนกันค่ะอ่าราจย์เจ้าาาคค่่่่่่ะออไไททีตด น้องพีขอบคุณแม่น้องัาา ก, การพ่อแจคค่ะมีอะไรไหมไม่มีค่ะนั่งสมาที่บ้าน้องพีน่งค่ะนัองกี่นาทีแล้วนัอ ง, งบางวันก็ก็เมื่อวันนี้นั่งเกือบได้ได้สิบนาทีค่ะนั่ทุกวันด้วยอ ใ่ค่ะทุกคนจะนั่ง5นาทีค่ะนั่งเลยค่ะนั่งเลย เ, เลยแต่หนูจะไม่บอกค่ะว่าเขานั่งได้เท่าไหร่เวลานั่งหนูทำยังไงบ้างพดทโธค่ะวุโทโธนะอแล้วก็หายไปตลอดเลยค่ะพุโทโธ้็หายไปเลย <c oughs> หายแบบหลับไปเลยใช่ไหมค่ะ <c oughs> เพรานั่งเก่งค่ะกลัวแบบหนูก็บอกว่าอย่าไปกินน้ําลายให้ค่อยๆนั่งทําใจสบายๆเวลานั่งไม่ต้องเก่งนั่งให้แบบผ่อนคลายแต่อย่าแต่อย่าข้อมหลังอะไรเงี้ยเพราะมันจะยิ่งทําให้เมื่อยหลังแล้วก็จะหายใจไม่สะดวกให้นั่งตรงแต่แบบว่าไม่ต้องเก่งอืมนเนสอนไปเรื่อยๆต่อไปก็ชํานาญเงองเก่งเองค่ะต้องพยายามให้ทําทุกวันอย่าอย่าเลิอกอย่าเลิกทําค่ะอืม การทำต่อเนื่องจะเป็นการพัฒนาการจะมีการพัฒนาการขึ้นไปเรื่ อ, อ, อ, อยๆเข้าใจไมลูกยิ่งทาก็ถ้าทำได้ทุกวันหนูก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่จากประมาณห้าหกนาทีก็ค่อยขยับขยับเขาบอกว่าวันนี้เมื่อวานนี้เขาถามว่าวันนี้หนูนั่งดีไหมคะมามาบอกหนูนั่งห น, หนูนั่งนั่งเลยนั่งถึงห้านาทีไหมหนูก็แบบ ว่าไม่อยากโกหกลูกบอกหนูนั่งเลยห้านาทีบอกอ้าวโวยวายใหญ่ว่าอ้านั่งเลยทำไมไม่ให้หนูหยุดก็บอกว่าเห็นหนูนั่งดีมาก็ไม่อยากไปห้ามก็เลยบอกแบบนี้ค่ะนั่งนั่งดีก็นั่งนั่งไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ ะ, ะดีนั่งเกินห้านาทีได้ยิ่งดีนะอ่ะอดีอาทิตย์ที่แล้วทำงานค่ะก็เลยเข้ามาไม่ทันอืมเดี๋ยวใกล้สอบไปอีกสองอาทิตย์ก็สอบแล้วค่ะ เออลองดูหนังสือเยอะหน่อย น, น, นะค่ะจดมานั่งสมาธิจะทําให้หนูมีสติเนี่ยลงตาสอนจะได้จำเวลาเรียนหนังสือเยอะจะจะได้เข้าใจง่ายจำอะไรได้ง่ายค่ะไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะมีนะอหลวงพ่อได้หายแข็งแรงเจ้าค่ะใช่ดูจ้ะจะแม้จะเจ้ า, าที การสังสรรคอาจารย์ครับอืมไม่เคยขาดเลยนะนอกจากไปต่างประเทศนะเนี่ยนะที่ขาด<ช>บางทีก็ไม่สบายมีบ้างนะครับอ่าวันนี้จะทําอะไรดีวันนี้ส่งกันบ้านครับโอเคมีอะไรบ้างเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มบนความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะร้ อ, องพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร้ อ, องพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพักพักจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแนนเกิด ม, มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมนใดนไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะเป็นทา ย, ยาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอดอ่า อ, อ, อย่าเลื่มนะเตรียมตัวรับกับสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับอ่าแล้วเรายัางพิจารณาร่างกายหรือเปล่าเรพิจารณาครับมีอะไรบ้างร่างกายมีผมขนเล็บฟัน นังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกปามหัวใจตับผังพืดไตปอดไซส์ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเนื่อน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมะเหลวน้ำลาย น้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูลน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำสเตตน้ำดีเยื่อในสมองสีสังอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยใส้ใหญ่ปอดไตกระื่กตับหัวใจ ม, ม้ามแคนกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บผลผมอเป็นยังไงสวยงามไหมร่างกายไม่สวยงามครับโอเคถ้าไม่สวยงามก็ไม่มีแฟนใช่ไหมใช่ครับจริงหรือเปล่าครับแมบชอบใครอยู่หรือเปล่านี้ก็ไม่ครับ <laughs> โอเคยั ง, งสมาธิอยู่หรือเปล่า ตับตั้งอยู่ครับกี่นาทีสามสิบห้านาทีครับโอเคไม่เพิ่มขึ้นไปอีกอะ่ะสี่สิบไหวไหมต่อไปก็ตอนนี้ไม่ค่อยว่างครับก็เลยสามสิบห้านาทีไปก่อนครับลองอาทิตย์หนึ่งเอาสักสี่สิบถ้นฟันถึงหไหมวันไหนวันพิเศษวันพระหรือวันอะไรตอนเรารต้องมีต้องมีการพัฒนาการนรอครับนี่มันก็จะยืนอยู่กับที่เ<ม>รเลยอ อาทิตยหนึ่งเพิ่มวันมันอาทิตย์หนึ่งเพิ่มวันพิเศษหนึ่งวันจะเพิ่มห้านาทีนะครับต่อไปก็เพิ่มเป็นสองวันต่อไปก็เพิ่มเป็นสามวันค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆครับตรงในที่วิธีที่เราจะขยับการปฏิบัติของเราให้คขบหนนะเราต้องเอาเป็นขั้นเป็นตอนเราจะเอาทีเดียวแบบควบผ้ามันไม่ไหวแล้วครับเอาไปทีละนิดเท่าหน่อยขยับขึ้นไปทีละนิดเท่าหน่อย ครับดีไหมดีครับอ่ายาววันไหนดี้องคือยอาแม่ดูนะครับอ่าอัตวันหนึ่งนะอาที่หน้ามารายงานก็ได้ไม่สี่สิบครับได้ครับโอเคไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรนะไม่ไม่ได้แต่ต้องพยายามถ้าเราไม่อยากจะยืนอยู่กับที่เราต้องพยายามพักดันตัวเราให้มัน มีความขยันมากขึ้นในการความเพยียรมากขึ้น เ, <อ>เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องมีความเพยียรเป็นตัวคอยพักดันพักดันสติให้มีมากขึ้นมากขึ้นพอมีสติมากขึ้นสมาธิมันก็จะมีมากขึ้นแล้ว ก, ก็จะสามารถไปสนับสนุนปัญญาให้ไปหยุดความอยากต่างๆได้ โอเคมีคําถามอะไรไหมไม่มีหล้วครับโอเคอท่านี้ก่อนนะอ่าตลาดขอบพระคุณพระอาจารย์ครับอ่าตะวันกับคุณแม่อธิษฐานตะวันเข้ามาคนเดียวเก่งนะขอ บ, บนิสตจมแปบบ้ยช้างครับ <c oughs> ยังไม่ได้เข้ามาหลายสัปดาห์เจ้ของอาจารย์เป็นยังไงบ้างเตรียตัวเดินทางสิ ก็วันคุดหน้าก็จะเดินทางใช่ค่ะแล้วก็แพนกันว่าวันไหนจะไปครพระจารย์ดีก็อพระจารย์ก็จะลงมาเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะที่ว่ารับรับตรงตรงที่ฉันตรงกุฏิที่ว่าพระจารย์จะรับอาอาหารแล้วก็เข้าไปฉันตรงกุฏิก็คือเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะพระจารย์อาทิตย์กับวันพระวันอยู่ราชการวันหยุดราชการแต่ละ แล้วน้ําท่วมไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เห็นข่าวว่าพัทยา น, นี้มีท่วมหลายซอยเลยนะคะอะที่ว้านนี่ท่วมยากเพราะที่บ้ามันอยู่ันเนินมันมันที่สูงอ่ะแล้วตอนพระอาจารย์บิณฑบาตนี้ปกติดีไหมคะหรือว่ามีมที่บ้านอําเภอเขาก็มีมีทางระบายน้ําลงทะเลได้เลย ม, มีนําคลองอะไรตั้งแต่มันอยู่ยังไม่เค ย, เ, ย, เ, ยเห็นน้ำท่วมเลยเพียงแตว่าเห็นน้ําคลองเกือมล้นขึ้นมาทั้งหนึ่งให้ อไม่เท่งกับท่วงสายวัเทศบาลเขาก็จัด ก, การระบบระบายอะไรค่อนข้างดีใช่ไหมเพราะมันเป็นระบบธรรมชาติของที่นั่นก็อยู่เชิดติดชายทะเลแล้วเขาก็มีลําคลองอยู่สองที่รับน้ํามาจากข้างบนแล้วก็ไหลออกไปวันี้จ้าตวันเขามีเรื่องสำคัญจะจะบอกพระอาจารย์คะเดี๋ยวโยมคุยแล้วเดี๋ยวจ้าจะลืมไป <laughs> เอา้ามาตวันมีอะไร เออผมมีอะไรที่ต้องสารภาพครับออสองวันที่แล้วผมเ อ, อแกลแล้วโกหุกพ่อกับแม่แล้วม αι, แม่กับพาะเออแล้วผมก็อยากจะถามถามระอาจารว่าผมทุ่งทำอะไรทีที่สิดตอนนี้ครับไหนพูดใหม่ได้ไม่ค่อยเข้า ใ, ใจเออสองวันที่แล้วผมเป็นแกลแล้วโกหุ child, พกพ่อกับแม่แล้วแม่กับเพาะเออแล้วผมก็อยากจะถามเออเออ พระอาจารย์ว่าผมต้องทําอะไรตอนนี้ดีที่สุดตอนเกเรเลยเจ้าเล่เจ้าเล่เจ้าเล่ก็ต้องสอนตัวเองว่าการกระทําแบบนี้ไม่ดีอแล้วก็อย่าพยายามทําต่อไปอย่าทําำแล้วก็ถ้าทําก็ต้องลงโทษตัวเราเองเช่นงดกินขนมงดเล่นเกมหรืออะไรอ กินข้าวเย็นอะไรดำนอนี่มันจะได้กลัวจะได้ไม่กล้าทําซ้ําอีกเข้าใจไหมอาจารย์แล้งแต่เราจะคิดบทลงโทษว่าให้มันสาดิตขนาดไหนก็นแล้วแต่เราภ <laughs> าษาภาษาผู้ฟังภาษาดิ้งข่าวเลยโจรนมาชุกรูปแบบแล้วนะคะพระอาจารย์ <laughs> ทั้งข้าวเย็นอย่างเนี้ยแล้วก็กักบริเวณนี่แต่ก็ยังมีแล้วก็เมื่อเมื่อวานนี้แล้วก็คุยกัน เขาก็นั่งเขียนสารภาพว่ามีอะไรอีกไหมที่ไม่เล่าความจริงให้ฟังโยมนี่คือปาดเหงื่อเลยทวาราิจารคือเก็บความลับมาได้ตั้งต้องเป็นเดือนนะคะได้พึ่งมาสารภาพนั่งเขียนนั่งเขียนสารภาพา <laughs> ผมเป็นคนเจ้าเล่ห์ผมเป็นคนไม่ดีอดี๋ยวให้มันเต็มสักสิบหน้ากระดาษเลย <laughs> ดีไหม <laughs> จริงๆที่คิกอยากจะทำนี่แต่ยังไม่ได้ทำนะพี่นะเขียนป้ายแขวนพอแล้วก็เดินรอบบ้านเลยว่าผมเป็เจ้าเล่หดูซิว่าอย่างนีะจะอยู่ประจ๊ะต้องประจายอย่างเนี้ยแต่ก็แต่ก็แต่ก็ไม่ทําเพราะว่าเดี๋ยวอเด็กคนอื่นเขาอาจจะเอาไปไปไปถ่ายภาพแล้วก็หลงมรนจะจัดใช่มันจะมันจะมันจะบานปลายไปอย่างเงี้ยสภามอาจารย์อันี้เป็นเรื่องของภายในเรื่องของในครอบครัวไม่ใช่อย่าไปนอกบ้านได้สภาม ตะวันคิดว่าจะลงโทษตัวเองอยังไงดีที่สุดที่จะทำให้ตะวันไม่ไ ม, ไม่กล้าทำอีกเออผม ค, คิดว่าเป็นดีที่สุดเด่ลองก็มาคุชอบจริงๆว่าเอาไว้ทชอบอะไรไม่ชอบลงโทษตัวเองแบบไหนเออผมคิดแลกข้างออกหนึ่งอม เล่นข้าอกสิบเอ๋อเล่นข้างนอกอยู่บ้านเนละอยู่บ้านนั่งสมาธิแทนนะสบายค่ะอ่าทําสิ่งที่มีประโยชน์ดีกว่าออกไปข้างนอกมันไปเล่นกับกิเลสนะอยู่ในบ้านเราจะได้ท่ากิเลสไนั่งสมาธิเราจะได้ทําลายกิเลสเอา่าถ้าอยู่ในบ้านแล้วนั่งสมาธิอันนี้เป็นประโยชน์ที่สุดเป็นดีที่สุดท่านทุกทําได้ เ <Okay. S 1> okay. นี่ยไหมโอเครับโอเคต้องหนูต้องเห็นโทษของความเจ้าเล่ยเพราะต่อไปถ้าหนูไปคบกับคนไหนเขรู้หนูเป็นคนเจ้าเล่ยจะไม่มีใครอยากจะคบกับหนูนะ <Okay. S 1> อ่าไม่มีใครอยากจะถูกเราเจ้าเล่ยก็คือโกหกหลอกลวงนเองคนเจ้าเล่ยใช่ไหมใช่ <Okay. S 1> อ่าไม่ซื่อสัตย์ พระพุทธ เ, เจ้าสอนพระลาราหุนตอนที่บทเป็นสามเณรว่าศัจนาความจริงนี่การไม่พูดปดนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นคุณสมบัติอันดีของว ใ, ใจแต่ถ้าทุกครั้งที่ราหุนโกหกนี่พระจาประยกตักน้ําขึ้นมาขั น, ขนเปราะเหตุที่ว่าน้ําในขันนี่เป็นความดีที่มีอยู่ในใจ ทุกครั้งที่ลาหุนโกหกนี้่พระพุทเจ้าก็จะเทน้ําออกทีละนิดทีละหน่อยถ้าโกหกไปบ่อยๆต่อไปน้ําในขังก็มาก็หมดไปความน่าเชื่อถือความดีในตัวเราก็จะหมดไปทำไมไม่มีใครเชื่อถือเราอีกต่อไปทำไมไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับเราด้วยเพราะกลัวจะถูกเราเข้าใจไหม <Okay. S 1> นะต้องพยายามเห็นโทษของ พุทธกับของเราที่มันไม่ดีแล้วก็ให้ละอาย อ, อย่างนี้มันสิ่งที่คนคนในสังคมก็ไม่ชอบก็ไม่ยินดีนะพาใจยังอคโ <Okay. S 2> okay. อเคคุณแม่มีอะไรไหมก็ผลของการกระทำก็คือว่าบางทีเขาเล่าอะไรให้ฟังอย่างเงี้ยบางทีเออโยมกับคุณมากโก้ก็ชักจะไม่ค่อยเชื่อนะคะะอาจารย์เพราะว่ามันก็ คือเหมือนเราถูกหลอกใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วก็มันก็มีความเสียใจด้วยอย่างหนึ่งเราก็เอ๊เราไม่เคยโกหกเขานะแต่ทีนี้ว่าเอ่อเราก็บอกเขาว่าเออถ้าโกหกพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เสียใจนะลูกก็อย่อยาอย่า ท, นะทํานะทัดรักและข้ารึกก็อย่าทำอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็ไม่อยากให้เขาทําบาสนะคะพระอาจารย์แต่ว่าเราก็ย้อนมาดูใจโยมว่าบางทีอารมณ์เสียใจมันเกิดขึ้นอนะโยมก็บางทีก็คิดว่าเอ๊ไม่อยากให้เขาทําบาปอะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องต้องปล่อยแล้วแต่ละกันตัวใครตัวมันนะครั ก็เรามีหน้าที่สอนก็สอนไปได้นะเราทําแทนยขาไม่ได้มันจะไม่มีลิมิตเลยเหรอคะพระอาจารย์มันไม่มีลิมิตสําหรับพ่อแม่เลยเหรอคะว่าถึงเท่าเนี้ยเราควรอยู่ได้แล้วเหรอพระอาจารย์ก็แล้วแต่เราอะแล้วแต่เราถ้ารู้สึกว่าพูดไปแล้วก็ไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์เลยโยมไม่ได้คุยเขามาสองวันแล้วนะคะเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะมาวันเนี้ยเพราะว่าโอเคเขาสํานึกจะมาขอโทษพระอาจารย์ก็เลยว่าอก็ก็เริ่มจะมาคุยแล้วก็ มาบอกมาเก่ากันนะคะพระอาจารย์อืมเราก็ไม่ควรจะใช้อารมณ์ไม่ควรไม่ควรเข า, าเพราะว่าถ้าโ ย, ยมคิดว่าเดี๋ยวถ้าพูดอะไรไปปุ๊บกิริยาเขารับไม่ได้สิ่งที่โยมพูดเดี๋ยวก็อารมณ์เก่ามันมันมันยังไม่หมดไปมันยังค้างอยู่เดี๋ยวพูดอะไรปุ๊บมันก็โยมก็จะอารมณ์ขึ้นโยมก็เลยว่าทําเฉยๆไปสองวันที่ผ่านมาค่ะอืมแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าพายุมันสงบแล้วก็เลย เริ่มเริ่มจกคุยด้วยด้วยด้วยอุเบกขามากขึ้นนะคะเพราะจะเริ่มจะมีอารมณ์ขันแล้วค่ะแต่เมื่อวานนี้ไม่มีเลยเริ่มจะมีอารมขันขึ้นมาได้เมื่อวานยังเป็นก็เป็นกิเลสของเราคำหยาดของเรายากให้เขาป็นคนดีอยากให้เขาไม่ทําบาปเพราะว่าคําพูดที่มันขึ้นมาเนี่ยมันคือกิเลสเลยไม่อยากให้ลูกทําบาปไม่อยากให้ลูกทำบาปอยากให้เขาเป็นกล้วยแต่ก็เป็นส้มทำเลยแช่ไหม ถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้ยอมรับเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้ละเขามีกรรมเป็นของของตนเคยทํากรรมมันไดไว้เขาก็เรามารับผลของกรรมนั้นเพราะเรายึดมากใช่ไหมคะผู้อาชย์มันก็เลยเวลาโกหกเรามันก็เลยมีอารมณ์เสียใจแต่ถ้าเด็กคนอื่นโกหกเนี่ยมันก็เฉยๆวันเขาไม่ใช่ลูกของเราอย่างเดียวจ้ะค่ะผูอาชญ์ใช่เพราะเรามีความหวังมากในตัวเขาเนี่ยมันจะมากจนเกินไปก็อาจจะไม่ดีก็ได้อาจจะไปทําให้เขาเครียดทําให้เขา ไม่มีความสุขเวลาเขาอยู่ใกล้เ hmm. รามันต้องมันระวังมัน mm hmm. ม, ม, มีผลที่จะย้อนกลับมาได้โยมก็ไปเนี่ยค่ะรักษาที่อาจารย์ให้ให้อาวุธโยมยไว้ก็ไปฝึกไปฝึกวิทยายุทธมาค่ะสัพเพธรรมานตาเจ้าค่ะพระอาจารย์ <laughs> ทะทหน้าที่เวลาหให้ดีที่สุดขอนเขาจะได้และไม่ได้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบุญเป็นกรรมของเขาเลาั้งนั้นบอว่าโยมเวลาโยมอารมณ์เริ่มขึ้นโยมก็ไม่พูดนะคะก็ก็ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะหลุดออกไปก็อเอาให้ใจมันมันมันเป็นราบเรียบปกติก่อนถึงถึงฌาห์มาพูดก็ดมีคน <c oughs> เคยถามพาาระพุทธเจ้าว่าอ่าสามเณรท่านเป็นผู้สอนให้คนไป น, ในิพพานกันแต่ทําไมคนบางคนเขาไปถึงบางคนก็ไปไม่ถึง คุณเจ้าบอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันเรามีหน้าที่สอนเขาเท่านั้นีอมัน้วเขาจะไปถึงไม่ถึงอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาจะทําหรือไม่ทําตามที่เราสอน mm hmm. เราต้องยอมรัวบว่าไม่ใช่ทุกคนจะไปได้ผ่านได้หมดทุกคนจะเป็นคนดีได้หมดทีนี้โยก็คิดเอ๊ะทําไมเราเราลองมองว่าตัวเองเราเราปฏิบัติทำมาแต่ทําไมเวลาลูกโกโหกทําไมเรามันเสียใจมัน มันไม่พอใจแต่ในขณะที่คนอื่นที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมแ่ะถ้าลูกทําไม่ดีเขาให้อภัยง่ายง่ายเฉพาะผู้อาชญา์ไม่มาถึงรื่องแบบนั้นเราคาดหวังเราไม่เราไม่พิจารณารุ่ง่ายเราคิดว่าลูกเราจะไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นเป็นนั่นได้เราต้องคิดว่าเขาก็เป็นคนเหมือนกคนมีบุญมีกรรมติดตัวมามีนิสัยเก่าติดตัวมา ความดีเขาก็มีมากใช่ะพระอาจารย์อย่างเรื่องอการบริจาคหรือเพื่อเพื่อแผ่นี่ยเขาทําแบบุทําแบบไม่อั้นเลยใช่ไะพระอาจารย์แต่สิ่งข้อสีเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าจะจะค่อนข้างเกาก็ดีขึ้นยออยดีขึ้นมาบ้างค่ะยังที่มีสารภาพมาใช่ไหมคพระอาจารย์ก็พยายามสอนไปพยายามสอนไปทําำ <c oughs> ที่เราทํ า, ไ, ทาได้คือเราอเราจจะคาดหวังในตัวเขามากกว่าที่เขาสามารถที่จะทําได้ บ่ม เ, เขาเรียกว่าอะไรนะคะพระอาจารย์อินรีย์แล้วก็นิสัยจะฝึกมาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างบางคนเนี่ยอพอได้ยินเรื่องว่าโกหกตัวนรกปุ๊บเขาจะกลัวเลยทั้งทังที่แบบปุ๊บเขาก็จะเลิกทําของเขาเองในขณ ะ, ะ, ะที่บางคนนี่ต้องอุ๊ยพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกอก็ยังไม่ก็อยากจะพูดอ่ายังไม่เขายังไม่เห็นเพราโทษของความโกหกก็เป็นยังไม่เห็นทุกตัวอริ ย, ยสันนยจใช่มเจ้าพะอาจารย์เขายังไม่เห็น อาจจะต้องไปทำหรืออะไรกับใครที่ไหนแล้วก็ต้องถูกลงโทษนะอันนี้ก็งงะะแล้วก็เพียงแต่ตอนเข้าให้เขามีภูมิคุ้มกันตัวเขามันก็จะรับได้หรือไม่ได้เนะีมันก็เรื่องมันเป็นเรื่องของเขาไปเราไม่ควรจะไปเสียใจไปผิดหวังเลย ถาเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วก็มาย้อนดูโยมากก็หน้าที่คือแม่ขาดตกบกพ้องที่แต่ว่ายองไปยึดอารมณ์เออ่ไม่พอใจเวลาที่เขาไม่ได้หนังใจหรือว่าพูดหลายรอบแล้วว่าอย่าทําทําไมไปทําอีกอย่างเนี้ยพระซานก<อ>็ไมนต้องมาแก้ให้ตัวเราไม่ใช่ที่เขาปนะัญหาป <ๆ S 2> ัญหาเป็นที่ตัวเราเสียนะแล้วเราเรามีประทานความยึดมัน่นถือมั่นมาก ทำยากมากเอยทาให้ทุกข์มากที่ดายดียรักที่นั่นหนุกทกเจ้าค่ะพระ้ารักมากก็ยึดมาอ่ายยิ่งรักมากยิ่งยึดยิ่งยึดมายังเสียใจายมากลูกคนหนึ่งเขาไม่เห็นเสียใจยเขาจะดีช่วยอลยใช่ไหมใอ่ค่ะอ่ัเรพยายามหันมองลูกของเราเหมือนลูกของคนาหนึ่งบ้าง สัพเพ昙มานตตาเหมือนกันหมดทุกคนแต่มาทีอารมณ์อะโยมของเนี่ยถามพระอาจารย์นะก็คือว่าเดี๋ยวบางทีอารมณ์ ม, าานะ ม, มันผุดขึ้นในใจปุ๊บเนี่ยสัพเพ昙มานตตาปุ๊บว่ามันก็มันจะละได้ง่ายกว่าไอ้ตัวที่แบบคนที่เรารักอะ่ะพูดไม่ถูกใจเราหรือทําให้ถูกใจเราอันเนี้มันมันมันมีผลต่อจิตใจมากกว่าไอ้ตัวอารมณ์ที่มันผุดมาจากสัญญาเก่าอะไรแบบนี้เจาา้าคะพรอาจารย์ อืมก็คือสติโยมก็พิจารณาว่าสติปัญญามันยังไม่พอสมาธิไม่พอเพราะไม่งั้นโยมก็จะอดทนกันได้มากกว่า น, นี้ก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้เราไม่ค่อยพิจารณาคนที่เรารักคนที่เราอยู่ใกล้ตั ว, วเราอาจจะประมาณว่าเขาก็อาจจะเป็นเหมือนคนอนื่นก็ได้กาคาดหวังด้วยว่ามานะด้วยค่ะภาษารย์ว่าลูกเราจะต้องดีอนไรแบบนี้ ว่าเราก็ไม่โกหกอืถ้าเรากโกหกแล้วลูกเรากโกหกก็คงยื่นยวนกันแบบนี้เ จ, จ้าถ้าเราหลงในความยากยิ่งยากมากก็ยิ่งทุกข์มากอยากมากกรติกมาก <laughs> งั้นพยายามใช้สันโดษพระเจ้าสอนให้เราหัดฝึกสันโดษยนินดีตามมีตามเกิดอเยากส้มไม่ได้ส้มได้กล้วยก็เอาว่าก <laughs> ินกล้วยไปก่อน ตอนนี้ก็หยุดว่าอาไม่พูดอะไรออกไปเพราะว่าบางทีเราโกรธบางทีเร า, เ, ราเตือนเขาเขาอาจจะมันไม่ใช่คําพูดอาจจะไม่คําพูดที่ตรงที่ที่ที่เป็นธรรมแต่ว่าบางทีมาเจือได้โทรศัพท์แบบนี้เขาอาจจะเสียใจแล้วก็ยิ่งหนักไปอีกครับยมก็เลยไม่พูดอเวลามีอารมณ์นี้อย่าไปพูดอะไรให้ให้จิตสงบไปโอเคนะมีอะไรไหมเดี๋ยวก็ ดีใจว่าเดี๋ยวจะกลับเมืองไทยแล้วครั้งนี้ก็กลับสามภูมิสถาพัชชันอ่าไปครบทีมเลยนี่ครบทีก็เดี๋ยวอาจจะเป็นก็วันพุธหน้าเดินทางอาจจะเป็นเสาร์หรือไม่ก็ทิเดียวคือแพนไว้ว่าวันเสาร์จะไปหาพระอาจารย์นะคะก็อไม่เป็นไรนอนาคตไม่แน่นอนโอ้ค่ะมาได้กันดีไม่มาก็ดีเพราะว่าช่วงนี้มันมีข่าวอะไรนะคะเออเครื่องบินมันตกบ่อยเหมือนกันนะคะก็จะ <laughs> เราใช้กันอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นเยอะแล้วเขาคนก็ยังวิ่งคนก็ยังนั่งรถกันอยู่ไม่เห็นเลิกดังเลยเดินเนี่ยบางทีเดินเอยู่ก็มีข่าวที่ว่ายางรถยนต์จากรถบรรทุกมันดูดออกมาก็เปี้ยงเข้าที่หัวเครื่องรถคนถ้ามันถึงคข่าวถึงค่าวก็แล้วกันถ้ามันถึงข่าวถึงคิวเราก็ยอมรับไปอันนี้ก็อย่าไปย้าให้อยู่บ้านไป อยู่บ้นก็ตายแล้วแต่มันูคลิปนี้มันก็มาตกใส่ป้าเราอ่าใช่ไม่แน่นอนใช่หลักบางทีเป็นหัวใจวายอะไรก็ได้มันความตายมันมีร้อยแปดวิธีที่จะตายได้เรื่งอยงยอมรับก็ให้มันไม่เห็นในผลอถ้ามันเสี่ยงมากก็อย่าไปเสี่ยงมันถ้ามันเป็ น, ป, นปกติเป็นเทว่าเป็นเป็นการเสี่ยงแบบปกติทั่วไปก็ก็ทําใจไป ก็ยมมีพวกนี้นหนูมีแต่หาไม่มีแล้ว okay. นะโอเคได้เงานเท่านี้นก่อนนะนคุณจะเข้ามือก็อาจจะเจอพยาบา์นู่นเลยค่ะเกอบสองสัปดาห์อาจา <c oughs> จะ้วแต่ค่ะ <c oughs> ไม่มีอะ <c oughs> ไร <c oughs> แน่นอนอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่ไม่แน่นอนโยมก็มกมกพิจารณากายในกายให้มากขึ้นแล้วก็สกเปรมานักตารู้สึกว่าจะตอนแรกยังไม่ค่อย ตอนแรกยังไม่ค่อยเข้าใจที่พระอาจารย์พูดพอถึงจุดๆหนึ่งก็มันมันเริ่มจะจะเอเข้ามาบ้างเจ้าค่ะพระาพอาจารย์เอาไปเอาไปใช้แล้วมันเห็นผลเจ้าค่ะพระอาจารย์อลูกย่างมันเป็นของดินท่าอากาศที่เราไม่ควบคุมบังคั้งเป็นไม่ได้ตลอดเวลาบางบางเวลาเราควบคุมได้บางนานวว บ, บางเวลาเราเชื่อควบคุมไม่ได้ ก็อูครวมือนะก็ต้องยอมรับความจริงมันเป็นอย่างนี้แหละ mm hmm. อะไรจะเกิดก็เกิดเายอะะโยมโยมมีเวลาที่โยมโกดเจ้าตะวันเนี่ยมี่ก็ทำเ้าทาเอ่อทผิดกฎหรือว่าทำผิดศีลเนี่ยโยมก็คิดเอ๊ะทำไมเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมทาไม่ได้ไอ้คำพูดเอ่อไอ้คพูดตรงเนี้ยมันเป็นกิเลสโยม คือเหมือนกับว่าเราเราทําได้เขาก็ต้องทําได้เหมือนเราอย่างเนี้ยพระอาจารยอันนี้คือมันก็เป็นความอยากของเราใช่ไหมคะพระอาจารย์ตัวตัวมาระด้วยปะคะพระอาจารย์ก็มันก็ไม่ไม่จำเป็นจะต้องรู้รอกไม่รู้ว่าเราทุกขล้วพยายามตอบความทุกข์นั้ได้ไหมครับทุกผู้ามอยากอยากให้ก็เป็นตามความอยากของเราพรก็ไม่เป็นแล้วก็ทุกข์ ถ้าเราไม่มีความอยากกับเขาเราก็ไม่ทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากก็ดีอยากให้เป็นเด็กดีเด็กไหมเขาเป็นอะไรเราก็ไม่ทุก ข, อขอ์กับเขาอารมมาพร้อมกับความยึดความอยากนะคะอาจารย์โอเคนะสอบถาตเทพมาณาค่ะพระาอาจารย์คอาทำเรื่อยขอบคุณพระค่ะพระอาษารยอาจารย์พรมพิรายยังสายแวนดำอยู่นะ ทีอาทิตย์แล้วนันเดือ น, น, นสองเดือนร้งสการพ์พาจารย์ค่ะค่ะคุณตามันพอใส่แว่นโมโมอันนี้แล้วกก ร, ร, รู้สึกสบายตาเนี่ยเพราะว่าตามันสว่างมากอ่านดีจา้าเพิ่งตื่นนะยังไม่นอ น, นยังไม่ได้นอนเลยต่อจากเดี๋ยวนี้นอน<ำ>นอนทําำรูปเอ i มเ t ช o n จากเอออยู่ อ, ะอ่ะอเด วันสองวันก่อนมีวันหวยออกคุยกับเพื่อนๆอยู่ก็เลยแต่งหน้าแต่งตาให้เขาอยู่อ็มีของเล่นใหม่ๆให้ผู้ใหญ่เล่นนะของเล่นใหม่ๆให้ผู้ใหญ่ตอนนี้ก็คุยกับไม่มีใครคุยด้วยที่บ้านก็คุยกับแชท GPT คุยกับ AI <c oughs> ก็ยังดีฮะที่เล่น เอ่ออุปกรณ์วัมทันสมัยใหม่ๆได้นะคะแก้เงาได้ยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยยังมีเวลาเยอะเ <c oughs> มื่อไหร่นั่งก็วเวลาก็จะน้อยลงนะการเล่นเครื่องนะใช่ตคนเราก็ต้องมีอะไรทําให้มันเพลิดแพลนไปถ้าอยู่เฉยๆนะมันก็เงามันก็รู้สึกไม่มีรสมีชติชีวิต เมื่ออทิที่ผ่านมาเพื่อนเพื่อนที่ใส่สมาร์ทวอชก็บอกว่าเวลาทําสมาธินี่ก็เป็นดิปสลิปได้ระยะหนึ่งเันมะอ่ามันก็ว่ามันตัวตัวเครื่องว่าไม่รู้เลยว่าสมาธิหรือหลับมันพอมันถ้าทางร่างกายเหมือนกันร่างกายทำ น, นออไม่รู้ว่าเป็นสมาธิก็เป็นหรอกตัวสติใี้วันไม่ได้ เพิ่งเพิ่งวันยังวัดไม่ได้คนนี้มีสติมากหรือสติน้อยน่าจะเป็นหลับมากกว่าดิฟซว่ า, วาปล อ, องลองกินเล้าดูแล้วก่อนกินล้าแล้วลองให้มันมาวัดดูสิว่าสติมากน้อยเท่าเท่าไหร่หรือเปล่าวัดไม่ได้หสติสติมันเป็นนามธรรมา ม, ม, มันมันมันวัดได้แต่รูปประทัมเรื่อง ก, การของร่างกายก็ลองใส่นาฬิกาพวกนี้นะแล้วเดินจงกรม เขาไม่นับสเต็ปเราเลยนะฮะอไม่นับเลยจะเดินนานเท่าไหร่ไม่นับแต่พอเราไปเดินใส่รองเท้าแล้วเดินออกกําลังกายเนี่ยเขานับก็เลยไม่รู้ว่านาฬิกาเนี่ยคือพอเราไม่แขวนแขนใช่ไหมคะเราเดินชมพงเไม่แขวนแขนเราก็เดินของเราว่าเงียบเขาไม่นับไม่ได้เขาบม่นับไม่ได้ค่ะถึงชั่วโมงเขาก็ไม่นับไม่ได้ ก็ลองเดินแบบธรรมดาหน่อยๆเดินลงก็แบบนับเร า, าแค<ก>่ว่าจะลองว่าลองเดินแขวงแขนเขาจะนับนไหมก็แบบเออของใหม่ๆนี่วัดอะไรไม่ได้เพีเยงแต่มันทําให้เราแบบคึ้นเคร่งดีสนุกดีอะไรเงี้ยนะคะหลังหลังอาจารย์เป็นไงบ้างครับดีขึ้นไหมก็โอเคก็คอยู่กับมันไปมันดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไป มันเป็นๆหายๆแต่ก็ไม่เดือดร้อนนะพออยู่ได้พระอาจารย์คะตอนนี้แบบอยากเออตอนเช้าๆที่ตักบาตรนะจะมีตอนเสร็จแล้วตรงหน้ารถนะคะจะมีผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งถ่ายรูปพระอาจารย์สม่ำเสมออืารูปตรงนั้นไปอยู่ที่ไหนคะ่ะก็อยู่ในเฟซบุ๊กของเสรจคณะศิษย์พระอาจารย์สุชาติหนุ่มคนหนึ่ง อ, อ <ใน S 2> ๋อคุณขวัค่ะ เขาจะโพสอยู่ในคณะศิษย์พระอาจารย์สุชาตพอตักหมุนตักบาดเป็นคนใกล้ใกล้ใกล้สุดท้ายเพราะตอนนี้อยากได้รูปรูปพระอาจารย์ที่มีอยู่กับตอนนี้ไม่เหมือนกันอ่ะทำไมก่อนที่ที่อ้วนคุณอ้วนพอถ่ายไว้สักสุกว่าปีมาแล้วเนาะค่ะลองลอนเสิร์ชในเฟซบุ๊กเดี๋ยวคณะคณะศิษย์พระอาจารย์สุชาตค่ะอยากเอามามาอัดเปลี่ยนเปลียนรูปใหม่รูปใหม่ พอเพื่อนส่งทักบอกว่าโหพระอาจารย์ตอนนี้กับรูปที่เรามีตั้งอยู่ที่บ้านที<ค>น่พระ<ม>เราเนี่ยไม่เหมือนกันเราบอกนะว่าตอนนี้ท่านเปล่งปังดูยาวไว์น อ, อ, อนนูนนานแล้วนะสักหลายสิบห้าปีมามนานทั้งขามันก็ร่วงเลยไปเปลี่ยนไปตามตามเวลาเหมือ น, นใน<ต>ไ้จากเขียวมันก็เริ่มคล้ายๆเป็นเหลืองจากเหลืองต่อไปก็คลายเป็นน้ำตาล ไม่ค่ะสังขารพระอาจารย์ตอนนี้สดใสกว่าสังขารเมื่อเป็นสิบกว่ปีมาแล้วอ่าเป็นยังไงใช่ค่ะอาจจะสดใสแต่อาจจะ่าจจะแกล่ลงเะมากเลยค่ะติดจากตอนนั้นมากมากมีและสมัย อ, อกมาโอเคค่ะครับครับพระอาจารย์ท่าขันแข็งแรงนะค่ะ เอาจิตใจดีกว่าจิตใจไม่เจ็บไม่เจ็ บ, ไ ม, จบไม่ตายนะ<า>ยังไม่เร็นมันต้องเป็นไปตามเวลาของมันถ้าถูกาอาจารย์สุภิตาเรียกอาจารย์ได้ละการแล้วมันการแทมันจะเข้าขัภาษาเิ็นภาษาอังกฤรืาเป็นาษาไทย ค่ะาด <c oughs> นะสัญญาณของอาจารย์คขาดหายเดี๋ยวพูดใหม่สิออกสะดุดไม่ได้ยินนะพระอาจารย์ได้ยินไหมเจ้าคะออวะตอนนี้ไม่ได้ยินพระอาจารย์ได้ยินไหมเจ้าคะอ่าตอนนี้ได้ยินะนะเอากลับพระอาจารย์ได้ยินไหมอ่าได้ยินไเมื่อกี้อินเทอร์เน็ตสะดุดเจ้าคะ่ะอเจ้าคะ่ะเจ้าคะ่าคะ ล, ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะลูกได้ไปกราฟอาจารย์สองวันมีความสุขทิ่าสาุดเจ้าค่ะทีเผ่านมาสองไงนนี้เขาชอบไหมอ๋อชอบเจ้าค่ะเขาได้ย้ายมาอยอู่ที่ไทยถับถาวรแล้ว เ, เจ้าค่ะวันนี้เขาได้ไปทำไปทาเรื่องติดต่อที่จะขอบีซา่าเกษียณเจ้าค่ะแสดงว่านั่งมันไทยมากนะ เจ้าค่ะแล้วก็จริงๆเมื่อคืนเขาฝากบอกว่าเขาตั้งใจที่จะเข้าซูมพระอาจารย์แต่เขาฝอยหลับไปก็เลยไม่ได้เข้าเจ้าค่ะ ก, ก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะเห็นบอกว่าจะเข้าซูมแล้วทําไมไม่เห็นเขาก็เลยบอกมาว่าเอ๋อเขาผ่อยหลับไปเมื่อคืนท้าก็ตั้งใจแต่เขาหลุดหลับไปก็เหนื่อยสงสัยออกกยังปรับนะเวลาอยู่เจ้าค่ะยังเหมือนกันนะยังไม่ไปแลาวยังไม่เหมือนกันอยู่ เจ้าค่ะเขาเขาพยายามบอกว่าทุกวันอังคารเ็าจะเข้าสู่พระอาจารย์ให้ได้เจ้าค่ะเขาจะตั้งตั้งตารางของเขาเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะาจะต้องใช้เวลาปรับตัวเองก่อนนะใช่เจ้าค่ะก็เขาเาตอนนี้เขาย้ายมาถาวรแล้วก็ก็กำลังทำเรื่องวีซ่าแล้วก็เอ่อเปิดบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาก็ให้ทางเอ่อทางบริษัท ที่เขาทำาการใช่เจ้าค่ะขาบอกเขา้กระแพงตอนนี้พักอยู่ที่บางสเรศเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะที่เขาบอกพระอาจารย์ว่าเขาอยากจะอยู่ที่นี่เขาก็เช่าคอนโดไว้หกเดือนก่อนเจ้าค่ะยังไม่รู้ว่าจะว่าจะชอบคอนโดไหนเจ้าค่ะก็เลยเช่าหกเดือนไว้ก่อนเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ดีก็ก็ชวนกันก็ชวนกันไปฟังเทศพระอาจารย์แล้วก็นั่งสมาธิเขาบอกเขาชอบมากเจ้าค่ะก็มีความสุขเจ้าค่ะก็ค่อยค่อยฝึกกันค่อยค่อยฝึกกันเจ้าค่ะดีเจ้าค่ะมันต้องมีมันต้องมีจุดเริ่มต้นจะทํามากทําน้อยไม่เป็นไรต้องให้เริ่มทํากันส่วนใหญ่ก็ทําได้น้อยก่อนแล้วค่อยคเพิ่มขึ้นไปเรื่อย หมายได้นั่งสักหานาทีก็ยังดีกว่าไม่ได้นั่งเลยันเริ่มนตนนะ้นนะทำอย่างนั้นก็พาไปแล้วค่ะเขานั่งได้แค่ห้านาทีเขานั่งเขาดั่งไม่ได้นานเจ้วค่ะเขาเป็นคนที่สมาธิสั้นเจ้าค่ะอ ม, มากสมาธิสั้นมากเจ้าค่ะอก็ต้องฝึกสติบ่อยๆใช่แล้วค่ะเขาถึงชอบฟังพาอาจารย์เพราะว่าเขาจะได้เทคนิคไปเจ้าค่ะ เขาเวลาเขาพูดกับพระอาจารย์เขาต้องเดินเจ้าค่ะเพราะว่าเขาสมาธิสั้นอืแต่ว่าไปนั่งฟังพระอาจารย์ไม่รู้ว่าเขาทำไมเขานั่งได้ตั้งชั่วโมงหนึ่งเจ้าค่ะเค <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าถ้าป ก, กติแล้วเขาอยู่ไม่นิ่งเจ้าคะ่ะไม่ได้เลยเจ้าคะ่ะอาจจะเป็นสิ่งแรกเราก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆเจ้าสิ่งแรกแล้วมันจะลงข้าวให้ต้องอยู่เฉย โอเคจ้าเจ้าค่ะพวกเราก็จะ ย, ยัยัาา้เจ้าค่ะรับโทษเจ้าค่ะพระจารพวกคุณเจ้าค่ะอ่าคุณวีลายพรคุณยมหญิงจ่นวัศการพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่ามถามเ<ม><ม>จ้านยัม ไ, ไม่มีค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะพอดีเอ่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเ็าป่วยแล้าค่ะตัวร้อนอค่ะแต่ะ า, ายไแล้วเจ้าค่ะ ช่วงนี้ไอเยอะพระอาจารย์อไอไม่ทุกขกับมันก็แล้วกันไม่ไม่ค่ะแต่ว่าป่วยทั้งบ้านเลยค่ะพระอาจารย์ทุกคนป่วยกันหมดเลยค่ะเป็นเหมือนกับเป็นหวัดแล้วก็ไอเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวเป็นหวัดธรรมดานะคะซึ่งซึ่งไม่ใช่โควิดเจ้าค่ะอืเป็นกันเยอะมากช่วงเนี้ยค่ะค่ะค่ะกับนมาตการพระอาจารย์พระอาจารย์รักษาท่าขันนะคะราเจ้าลูกตาเนี่ยคนแม่ นมัส ก, การก่ะพระอาจารย์อเป็นยังไงบ้างคุณแม่อันนี้ก็ปฏิบัติทุกวันนะคะพระอาจารย์แล้วก็ฟังฟังเทศของพระอาจารย์ด้วยค่ะฟังธรรมะของพระอาจารย์ทุกวันค่ะเข้าใจมากขึ้นหมครับเข้าใจเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะพระอาจารย์รู้สึกตัวเองฉลาดขึ้นเลย อ, อนนย ร, ร, ริยสัจสีตใจักมันเกี่ยวข้องกันนะค่ะ แล้วก็เวลาที่สามารถเข้าสมาจิตเข้าสมาธิได้อ่ะคะ่ะรู้สึกว่ามันมีพลังนะคะพระอาจารย์จิตจิตจะมีพลังตัวกายอยากนี่ก็มีพลังด้วยะคะ่ะอืมแล้วก็มันมันเหมือนกับว่าเรามองมองโลกในในแง่ดีไปหมดแล้วก็ไม่ไม่อยากยุ่งอะไรกับใครอ่ะคะ่ะเราไม่มีอารมณ์เมื่อวันก่อนเนี่ยไม่มีคะ่ะไม่อยากยุ่งอะไรกับใครไม่อยากได้อะไรอื เม่ว่าเป็นเหมือนกับเป็นฟองน้ำพุกโลกนี้เป็นเหมือนฟองน้ำเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับไปตายดับใบยุ่งมันก็เหนื่อยปเปล่าๆไปเพลินไปแค่วันๆหนึง่งตกสนานไปวันๆหนึง่งครับมันก็ผ่านไปซู้มาทำจิตใจให้นิ่งสงบี น, บบนพลังีกว่าในความสุข จิตที่สงบจิตที่มีพลังนี้นเป็นจิตที่มีความสุขไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆแต่ว่าที่ฟังย้อนหลังนะคะเป็นธรรมะธรรมะบนเขาอะคะ่ะหรือว่าที่พระอาจารย์เทศช่วงนั้นจะเข้มข้นนะค ะ, คะแล้วก็จะได้สเตบของการปฏิบัติด้วยอะคะ่ะ ถ้าฟังอ่านผู้จุลธรรม น, นําใจเนี่ ย, ยเป็นธรรมะที่เททยาโยมที่ึ้นไปไปฟังก่อนเขาค่ะตอนก่อนที่มีการถ่ายทอดสดเนี่ยแล้วอันไหนที่มาเป็นเป็นขั้นตอนที่พระอาจารย์บอกเป็นขั้นตอนของการบฏิบัติที่หนูฟังแล้วหนูก็จะแชร์มาเก็บไว้ค่ะไปฟังซ้ำค่ะนี่ มันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าทําทําตามที่พระอาจารย์สอนนะคะฟังฟังธรรมะจากพระอาจารย์ด้วยอ่านหนังสือธรรมะของพระอาจารย์ด้วยแล้วก็มาปฏิบัติเหมื่อที่พระอาจารย์บอกว่าตอนอยู่กับหลวงตามาหาบัวพระอาจารย์ก็ไม่ค่อยมีคําถามอะไรเพราะพระอาจารย์ได้ให้ฟังเทศแล้วก็ได้อ่านหนังสือของหลวงตาะะหอหนูก็ทํำทาตามที่พระอาจารย์ได้บอกไว้อ่ะคะ่ะอืมนี่ เอามัดับความทุกข์ในความรู้ทั้งหมดนี่เรียนเพื่อเอามัดับความทุกข์ใจเราค่ะครูตานมีอะไรบ้าง <c oughs> ไม่มีคะ่ะพระอาจารย์ก็ยังนั่งสมาธิทุกวันค่ะยังทำแผนนั่นอยู่บ้าแผ่นที่สรุปธรรมะเทศนาทำค่ะถ้าถ้าถ้าทำกันเทศกันไหนก็จะทำไม้แมปออกมานะคะพระอาจารย์ แล้วเอาไปทำอะไรเอาไปทําอะไรต่อเก็บไว้เฉยๆเลยก็เอาไว้เอาไว้ให้ให้แอดินไว้โพสต์ค่ะอ๋อค่ะแล้วก็หนูก็ทําเก็บไว้เผื่อเผื่อได้เผื่อได้ใช้ค่ะเผื่อได้มีแบบโอกาสแบบไปสอนเหมือนกับเป็นวิทยากรให้เด็กๆอะไรเงี้ยก็จะได้มีเก็บไปไปเผยแพร่บ้างค่ะดโอเคทําต่อไปนะ ค่ะเดี๋ยวผู้นี้จะไปพบพระอาจารย์ค่ะค่ะเดี๋ยวผู้นีไปกลัพระอาจารย์ค่ะที่หน้าสใช่ใช่ใช่ค่ะหมอภาสนะอผู้นี้ก็จะมาเหมือนกันไหมวันพระใช่ค่ะผู้นี้ไปเติมพลังค่ะแล้วก็วันศุกร์พาคุณพ่อเที่ยวแล้วก็วันอาทิตย์ไปวัดแหละค่ะก็อาทิตย์น้ไม่ได้เข้านะพระอาจารย์เพราะไปวัดไปหลายทีแล้วก็กลับอังคารนู้นเลยค่ะอืมนี่ทางเราก็ไม่เท่งทางธรรมก็ สา ร, รู้สึกมันนกเหมือนที่พระอาจารย์เคยสอนเลยนะคะ่ะเพราะว่าจะเอาชุดไปแค่สามชุดนะคะพระอาจารย์หน้าฝน<ม>ก็ไปแค่สามชุดแล้วก็ผัดแล้วก็มันก็มันรู้สึกสบายสัมภาระไม่มีไป<อ>แต่ตัวอยู่ที่ไหนก็ได้รู้รู้สึกดีมากเลยพระอาจารย์อขอพวก<อ>คุณพระอาจารย์หน้าเลยนะคะอตอนนี้พี่หน<อ>ุ่มก็รู้สึกดีตามมาด้วยนะคะตอนนี้ก็เริ่มแบบชงขวดกินอาหารมื้อเดียวอาทิตย์ละวันก่อนนะคะ แล้วเด็จะแกจะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาไปค่ะผู้อาวุโขอพระคุณมากๆเลยค่ะพระอาวุโสอ่าคุณมาลีค่ะหลวงพ่อค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะยังปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงพ่ออืมวัี ไม่โช ก, กับอะไรค่ะหลวงพ่อมีมี ม, ม, มีอย่างมีแค่ว่าคนที่ทํา ง, งานอ่ะถ้าเจอหน้าหนูหนก็บอก ว, วันนี้ขึ้นห้องพระหรื อ, อยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูหนูไม่ได้ไม่ทราบหรอกว่าใครเห็นหรืออะไรยังไงบ้างแต่ว่าจะมีคนมาทักอะไรเงี้ยค่ะและ้วก็มีคนเขาก็ทยอยขึ้นไปเหมือนแบบว่างช่วงไหนก็ว่าช่วงเนี้ยมีคนขึ้นไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อมีเยอะไหม ก็หลายคนอยู่ค่ะหลวงพ่อเนีขึ้นไปเขาก็ไปนั่งของเขาเองต่างคนต่างนั่งนองใช่ค่ะต่างคนต่างนั่งถ้าถ้าเช้าไม่ได้ขึ้นเขาก็จะขึ้นตอนเที่ยงกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเหมือนห้องห้องพระห้องปฏิบัติธรรมนี่นเป็นห้องพระของบริษัทนะคะ่ะเป็นเขาก็จะทําเอาไว้อะค่ ะ, คะหลวงพ่อเผื่อใครไปไปไหว้พระไปนั่งสมาธิไปอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ควรจะทำนะเพราะศาสนาิสลามเขยังมีห้องละมาดนี่ค่ะหลวงพ่อ ากายแล้วเราต้องมีนั่งห้องห้องนั่งปฏิบัติ ท, ทําบ้างนะค่ะกลายเป็นว่าพอขึ้นไปถ้าจังหวะชนกันก็ไปเจอคำอย่างเงี้ยค่ะหลวงพก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่คนก็ต่างทํามอนต่เนี่นใช่ใช่ค่ะหลวงพอ่อก็นั่งนั่งได้เป็นเป็นสิบสิบคนก็นั่งได้ค่ะไม่ไม่คุยกันทุกคนนัู่หน้าที่ไม่คุยเลยค่ะหลวงพ่อแค่บางทีหนูขึ้นไปก่อนหนูก็จะไปเดินก่อนอย่างเงี้ยค่ะคน คนเห็นเขาก็ไม่ไม่เรียกไม่ทักอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเข้าไปนั่งพอพอเดินเสร็จหนูก็เข้าไปนั่งก็คือก็เห็นอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่พูดไม่คุยค่ะหลวงพอ่อคือทุกคนเขารู้ว่าเขาต้องไปสมัสวมวลมสัมลมใช่ใช่ค่ะแล้วพอปฏิบัติเสร็จสองโมงครึ่งหนูก็จะเดินลงมาจากชั้นสิบเจ็ดนะคะหลวงพอ่อหนูทาอยู่ชั้นเก้าค น, นนะใช่ค่ะหลวงพอ่อก็เดินไม่ใช่ลิฟต์เลย ไม่ค่ ะ, คะเดินค่ะคนบางคนเขาก็บอกเดินพุโทโธเหรอหนูหนูก็แทบพยักหน้าเฉยๆแล้วก็จะไม่มีใครมายุ่งไม่คุอดี่ะคะหลวงพ่อวค้นขึ้นเดินขึ้นหเล่ไม่เดินไม่ไหมีมีเดินขึ้นด้วยค่ะหลวงพ่อแล้วก็ ม, มีใช่ค่ะคือจะพยายามถ่าถ้าสูงเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อจะพยายามสร้างสติให้เยอะๆอะค่ะหลวงพ่อ ได้ทั้งกำลังกายทั้งระลังใจค่ะหลวงพอ่อร่างกายก็แข็งแรงได้ของ ก, กลังกายค่ะพอช่วงเที่ยงค่ามีว่างครึ่งชั่วโมงเนี้ยหนูหนูก็จะขึ้นค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วพอจังหวะที่พอไปนั่งปุ๊บเนี่ยมันมันเหมือนแบบเข้าเข้าแล้วไม่อยากขอดเนี้ยค่ะแต่ว่าหมดเวลาก่อนเอนี้ยค่นหลวงพอ่อดีค่ะทําทให้สมาธิแน่นขึ้นแล้วก็สติดีขึ้น มากๆค่ะยิ่งยิงมีความจํานานเข้าได้เร็วค่้าได้ง่ายเข้าได้เข้าได้ง่ายแล้วบางครั้งเหมือนแบบมันเยอะอะค่ะหลวงพ่อลืมตามันก็ยังเป็นอยู่ค่ะมันไม่หลุดค่ะหลวงพ่อสติมันยังมีอยู่ค่ะหลวงพ่อดีเอาใจสมาที่มาก็ประคอบด้วยสติต่อไปค่ะหลวงพ่อค่ะแล้วก็ก็ยังพิจารณาร่างกายตามที่น้อง แต่ไม่จะตีเขาท่องอะไรเงี้ยก็ยังพิจารณาอยู่ค่ะหลวงพ่อการอ่านในสองนี่สําคัญค่ะหลวงพ่อแล้วหนูหนูอ่านหนังสือที่ที่ทางทีมคุณหลาพิมแล้วก็หนูก็ได้ร่วมุญไปด้วยแล้วก็ทําทำเช่นนี้ผานใช่ค่ะหลวงพ่ออ่านแล้วแบบโห ด, ดีมากเลยค่ะหลวงพ่อคือหลวงตาท่านอธิบายได้ชัดเจนอย่างอย่างพิจารณาอาศุภเครื่อนคะ สติประธานสี่อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ hmm. พิจารณากายอย่างเงี้ยท่านท่านเขียนคําว่าพิจนาซ้ำซ้ำํซากซากโ อ, โ, โอ้โหมันอ่อมันต้องแบบมันมากกว่าคําว่าบ่อยๆคือมันซ้ํามาทวนมาทวนไปจนจนเหมือนซ้ำอยู่ในใจนันแหลอยู่ในใจค่ะหลวงพ่อพออ่านแล้วก็เข้าใจยิ่งขึ้นค่ะหลวงพ่ออ่านแล้วไม่อยากวางเลยคนะ่ะหลวงพ่อหนังสือ hmm. ม, มั น, มนทําให้ เวลาก็ดีใจในะครับได้อยู่นี้ก็ดีใจค่ะขอบคุณคนหลานด้วยนะคะกับทีมงานพี่ๆทุกคนด้วยค่ะขอบคุณหลวงพ่อด้วยค่ะรู้สึกคืนมาที่รายการมอวีแจกไปเจ็ดร้อยเล่มครับพอประกาศบอกใช่ค่ะหลวงพ่อหนูฟังหนูดูอยู่ค่ะหลวงพ่ อ, อเหลือไม่แค่ไม่กี่ร้อยเองไม่ใช่หรอคะเหลือวันวันนั้น ไม่ทราหเคิดว่าหมดนะประกาศประมาณเจ็ด้อยแต่ว่าเหลืออีกนิดนิดหน่อยอนะ <Yeah. S 2> ที่ที่คนยังยังไม่ได้รับ <Yeah. S 2> อะค่ะหลวงพ่อที่หนูฟยงฟังค่ะห <Yeah. S 2> ลวงพ่อปฏิบัติแล้วก็อ่านแล้วก็ฟังเทศหลวงพ่อฟังครูบาอาจารย์มัน เราก็จะเอามาปรับ ก, กับในสิ่งที่เราปฏิบตัติมันก็ทําให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นแล้วก็มีกําลังใจที่จะทําต่อไปเรื่อยๆนะค่ะหลวงพ่ออ่าเนี่ค่ะว <Yeah. Okay. S 2> ันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะหลวงพ่อโอเคสาธุขอบพระคุณมากมากค่ะสาธค่ะอ่าคุณเซรินดอนทํางนานอยู่วันนี้อาจารย์กลับธรัมชาติการพระอาจารย์เจ้าค่ะหนู หูไปปฏิบัติธรรมกลับมาแล้วค่ะพาาอาจารย์ไงคราวนี้สติหนูนไหมไม่ค่ะคราวนี้หนูไม่ยอมเลยค่ะหนูไม่ยอมแพ้เลยค่ะสู้สุดขีดค่ะเหมือนหนูเข้าใจแล้วค่ะว่าหนูพลาดอย่างรุนแรงไปณนะจุดไหนยังไงค่ะเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้หนูไม่กล้าปฏิบัติหรือกค่ ะ, คะเพราะว่าหนูกลัวว่ามันจะกลับไปเป็นล่องเดิม <S <S ถึงแม้ ว, ว่าจะเข้าใจว่ามันขาดสติแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยมัน พอเวลาปฏิบัติจริงๆกับเวลาที่ฟังเนี่ยมันคนละเรื่องกันแม้ว่าตัวเองจะเข้าใจว่าจะต้องใช้สติกต่ถึงเวลาปฏิบัติหนูรู้สึกว่าหนูไม่ยอมเหมือนเป็นการชักไปเย่อกันระหว่างสติกับความฟาุ้งซ่านแล้วหนูก็ไม่ยอมปล่อยเลยค่ะดูลมหายใจดึงทั้งพุโทโธเอาทั้งสวดมนต์เอาทุกอย่างออที่จะไม่ให้มักลับไปจมอยู่กับความคิดหรือว่า จนกระทั่งมันถึงดูถึงเข้าใจว่าการที่มันเริ่มต้นด้วยมิจฉาทิฐิการปฏิบัติทั้งสายมันก็ผิดไปหมดมแต่พอเราปรับด้วยสติเป็นตัวนำปุ๊บมันสว่างมันเบามันรู้สึกว่าตัวเองเบาๆอะคะ่ะ อ, อะไรที่เข้ามาเราก็แล้วมันก็ผ่านเหมือนตัวเราปร่งแสงอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็อะไรมันก็ลอยผ่านไปผ่านมาแล้วเราก็มวัวแต่ดู เข้าใจที่ว่าน้ําน้ํากลิ้งบนใบบอนใช่ไหมคะพระอาจารย์ใบบัวใบบัวใบบัวไม่เหมือนใบบัวเข้าใจเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นนะคะพระอาจารย์อย่างชัดเจนแล้วก็หนูก็เห็นว่าเห็นว่าบนใบบัวหนูไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงว่ะ เปรียบเทียบผิดนิดนึงค่ะอาจารย์แต่ก็หนูก็เห็นตัวเองว่าความฟุ้งซ่านนี่มันมันมีมากมากๆเสร็จแล้วเหมือนมันเป็นการสู้กันในทุกขณะจิตนะคะมันมันไม่ยอมกันทุกขนาดจิตเลยว่าพอมันจะผุดขึ้นมาเราก็จะต้องดึงกลับผุดขึ้นมาเราก็จะดึงกลับนู้ทันทีทั้งวันทั้งคืนมีการปฏิบัติร่วมกันนั่งรวมกันประมาณห้าชั่วโมงแล้วก็ปฏิบัติ ด้วยตัวเองประมาณเจ็ดชั่วโมงวันหนึ่งปฏิบัติประมาณสิบสองถึงสิบสามชั่วโมงค่ะ mm hmm. แล้วหนูก็ทำทั้งวันหนูไม่ยอมแพ้ค่ะ mm hmm. เพราะว่าหนูรู้ว่าคราวที่แล้วมันผิดมันไม่ถูกมันเหมือนกับเข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะวิธีการไหนก็ตามมันจะต้องรวมแล้วไปในทิศทางเดียวกันแต่เหมือนหนูเข้าใจว่าหนูไม่ยอมหยุดเย็นถ้าหนูไม่ ไม่ปล่อยวางหรือยึดติดในวิธีการหรือว่าตัวพระอาจารย์บุคคลผู้สอนมันก็จะมีความคิดฟุง้งซ่านว่าฉันต้องทำแบบนี้สิถึงจะถูกวิธีการอย่างนี้สิคือสิ่งที่ฉันตรงจริตอะไรอย่างนี้ค่ะ mm hmm. แต่พอยอมปล่อยหมดเลยค่ะพระอาจารย์ปล่อยหมดแล้วก็เอาแต่สติเป็นตัวตั้งแล้วก็ไม่ยอมให้ฟุง้งซ่านอย่างที่ว่านี่ค่ะแล้วก็ทาทั้งวันทั้งคืนนะคะ จนในที่สุดในขณะที่หลับฝันไปตัวพุทโธที่มันหายไปนานมากแล้วมันมันขึ้นมาอะค่ะแล้วมันก็ท่องพุทโธไม่หยุดเลยจนกระทั่งสติมันตื่นในขณะนอนนะคะเออค่ะพอมันตื่นปุ๊บเนี่ยมันนอกจากมันมีพุทโธมันเหมือนจะมีตัวเบรกอีกตัวนึงอะค่ะคือหลังจากพุทโธปกติแล้วมันจะดับความคิดฟงซ่านมันจะดับแต่มันเหมือนมีเบรกอีกชั้นหนึ่ง เบรกอีกชั้นหนึ่งที่ว่าก็คือมันมาท่องว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงอย่างเนี้่ะอคมแล้วมันถึงจะดับมันเหมือนมันยามาเสพมหมือนค่ะพระอาจารย์มันเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้มันจะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วมันก็ดับดับดับดับดับแล้วก็หยุดแล้วหนูก็หลับได้ที่ฝันอยู่อะไรมันหลุดไปมันก็หลับได้แต่พอคราวนี้พุทโธพุทโธมันกึกแล้วมันก็นี่คืออนิจจังนี่คืออนัตตา ความคิดนี้ก็ไม่เทียงแล้วมันก็ดับชั่วไปเลยอย่างเนี้ยคะ่ะพระอาจารย์อ่านั้นดำด้วยปัญญาค่ะและ้วหลังจากนั้นหนูถึงได้เริ่มเข้าใจอย่างแท้จริงว่าออปัญญามันทํางานแบบนี้แต่ว่าก่อนที่เรามันจะเกิดถึงปัญญาเนี่ยเราจะต้องฝืนฝืนอย่างมากแล้วก็ต้องฝืนทุกขณะจิตฝืนไม่ให้กิเลสมันเข้ามาในจิตไม่ให้ความฟุง้งซ่านหรือความคิดของเราทํางานได้คือไม่เราไม่ยอมมันนะคะ เ, เรื่องต่างๆต้องมีสมาธิก่อนถึงจะใช้ปัญญาต่อไปได้ค่ะพระอาจารย์แต่ก็ก็หลังจากนั้นก็ปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่าดีดีมากเลยค่ะพระอาจารย์มันเบามันเบาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่กลัวการปฏิบัติทำแล้วอะค่ะนั่งสมาธิเลยเราชนะมันข้างแล้วที่เราก็สบายใจได้้ใช่ค่ะแต่พอมาพิจารณาอีกรอบนึ ง, ห น, งหนูก็รู้สึกว่าจริ ง, รงๆแล้วสิ่งที่พระอาจารย์สอนมา มันตรงทุกอย่างยิ่งมาฟังพระอาจารย์เทศอีกม า, มาฟังทัวนะคะหนูก็รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นนะคะพระอาจารย์เหมือนพระอาจารย์บอกทางมาหมดทุกอย่างแล้วแต่ทําไมก่อนหน้านี้นไปหลงตรงไหนได้ยังไงทําไมมันหลุดไปได้ยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะฟังแล้วลืมไม่ได้มาพิจารณนะ์ต่อค่ะแล้วพอมาคิดอีกทีหนึ่งก็แบบอ๋อนี่ไงตรงนี้ไงทําไมตรงนี้พลาดไปได้ยังไงแล้วพอพลาดมันก็หลงทางะคะ่ะก็ หนูก็หลังจากนั้นหนูก็เริ่มเข้าพิจารณาการสามสิบสองเนี่ยนะจาอย่างละเอียดอนุโลมปฏิลมไม่หยุดอย่างเงี้ยค่ะทําไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาหยุดที่สมาธิถ้ามันเหนื่อยก็กลับมาลงที่สมาธิสำหรับกานปัญญากับสมาธิสำหรับทํางานกัาแต่สิ่งหนึ่งที่หนูรู้สึกว่ามันยังยากอยู่ก็คือเรื่องอาหารหนูยังต้องพิจารณาปฏิกูลของอาหารอาหารยังไงอาหารเก่า ออกมาจานหนูยังรู้สึกหิวอยู่ค่ะเพราะจารย์เหมือนกับว่าวอัดอาหารเก่าเปไ็นยงไงมากอ่างมากเลยค่ะพร่อาจารย์เพราะว่าเหมือนตอนเช้าหนูก็ทานแต่กล้วยกับน้ำํำตอนตอนกลางวันหนูก็ทานแต่สลัดคืออาหารคือผู้ปฏิบัติที่มาเนี้ยส่วนมากจะเป็นคนที่พูดภาษาฮินดีนะะอินเดียแล้วอินเดียกับทีรังกาขาดส่วนมากอะคะ่ะแล้วหนูก็อาหารไม่ถูกปาก แล้วเราก็บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราทานอะไรลงไปคือเหมือนมันเป็นผักผักมันเป็นก้อนก้อนหนูก็ทานทุกอย่างเข้าไปเราก็พยายามบอกตัวเองว่าเรากินเพื่ออยู่อแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นแล้วแต่ในขณะที่ช่วงหลังจากที่ไม่ช่วงหลังกลางวันอย่างเงี้ยค่ะจิตมันก็ฟุ้งซ่านคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกินอีกนะเดี๋ยวเราจะกินอีกนะแต่พรุ่งนี้มันก็เหมือนเดิมมันก็กล้วยกับน้ํา <laughs> แล้วมันก็รู้สึกว่า กมันยากมากแล้วหลังจากนั้นก็พิจารณาลงใช้สติพิจารณามันก็ดับไปอย่างเงี้ยค่ะดับสามสี่ครั้งทำพิจารณาให้เห็นว่ามันตอไปมันต้องเป็นอาหารเก่าอยู่ดีใช่ไหมคะอาจารย์ยังไม่กล้าพิจารณาแล้วก็ยังหิวอยู่มันยังมันยังความหิวมันยังมีความรุนแรงถ้าคิดนึกถึงว่าอาหารเก่าต่อไปมันจะต้องกลายเป็นอาหารเก่า <sı ff> มันก็ไม่ควคามอยากกินเล อ, ออกมาเป็นยังไงต้องดูตอนนั้นแล้วมันจะดับเลยเหรอคะพระอาจารย์ความด ม, มันดับเลยเห็บมันไม่อยากกินนะติดอยู่ตรงตยัง <S <S อแอบเราไม่กล้ามองไม่กล้า ด, ดูมันได้ต้องะจะอใจกล้าต้ๆๆองใจกล้าดูเวลา ก่อนจะใช้ก่อนจะใช้ชักเข่าก่อนจะใช้ต้องขันอถ่ายรูปดูก่อนได้ค่ะพระอาจารย์หนูจะพิจารณาทางนี้หนูจะได้ตัดทางนี้ให้พระอาจารย์นั้นแหละค่ะแต่ก็สรุปแล้วก็คือหนูรู้สึกดีมากกับการปฏิบัติแล้วหนูกลับมาแล้วหนูรู้สึกว่าหนูมันมันไม่ผิดแล้วทางนี้เอาใหม่สู้ใหม่แต่คราวนี้จะกล้าทําลึกๆลงไปแล้ะค่ะนี่ถ้ามีสติมีปัญญาคุมใจไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหา <C HA> ถ้าเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วปล่อยวางได้ทุกอย่าง <C HA> อะไรที่เกิดก็ว่ามันเป็นอนัตตานิจจังไป <C HA> ใช่ค่ะหนูหนูพิจารณาหลังจากวันนั้นหนูพิจารณาทั้งใช้ทั้งสติใช้ทั้ทงปัญญาแบบ <c oughs> ไม่ยั้งเลยค่ะทำแบบทาแบบเท่าที่ทาเท่าที่เท่าที่เรารู้สึกรู้ตัวได้ทำตลอดเวลาเลยดีมาก <C HA> ก็มีเท่านี้มารายงานพระอาจารย์นะคะกับคุณคุณในคําสอนของพระอาจารย์มากๆเลยค่ะทุกท่าอ่าคุณอุษย์ศรกับคุณดิศยาไปนั่งที่ชายทะเลยกันมาเลยนมาสการ์พระอาจารย์อยู่ในห้องกับพระอาจารย์ก็เลยใช้โลเคชั่นวางสันหน่อยหนึงค่ะอ่าโมสดชื่นบางานดีใช่โยมโยมรายงานอาจารย์เมื่อวันพุธใช่ไหมคะว่าไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับโยมอีก ปรากฏว่าวันพฤหัสวันศุกร์มาเป็นละลอกเลยค่ะอันนี้หนักกว่าเดิมค่ะเป็นเรื่องของความเป็นความตายของคนมาเกี่ยวข้องกับโยมอ่ะค่ะอย่างวันพฤหัสใช่ไหมคะโยมขับมอเตอร์ไซค์ช่วงฝนตกสักสี่โมงกว่าๆค่ะอาจาย์แล้วก็บนถนนจะไม่มีใครแล้วแล้วก็มีเด็กนักเรียนสวนมาสองเขาซ้อนกันสองคนมันห่างกับโยมประมาณสักสามช่วงของเส้นเหลืองกลางอะคะ่ะแล้วตอนนั้นโยมก็ขับมาชิดเส้นเหลืองกลางแล้ว แล้อยู่ๆก็เห็นเขาล้มลงข้างหน้าเลยนะคะล้มลงซึ่งก็ใกล้กับเส้นเหลืองมากโยมก็เลยขับรถเบี่ยงออกไปพอเบี่ยงออกไปปุ๊บคนที่ซ้อนหลังอะคะ่ะสไลด์ออกมาจากรถมาชนรถโยมนังปักโยมก็เอาละแต่ว่าก็ไม่ได้ตกใจนะคะก็ขับรถเบี่ยงออกไปแล้วก็ไปจอดแล้วก็โยนกระเป๋าแล้วโยมก็วิ่งมาดูเขาะคะ่ะปรากฏว่าเด็กคนขับนะ่ะมานั่งอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์เด็กคนที่โดนโดนชนร ถ, รถมาชนรถโยมอะค่ะหัวแตก โยมก็เดินวิ่งไปหาเขาแล้วโยมถามเป็นยังไงบ้างาเขาบอกเจ็บที่หัวอย่างเดียวถามตรงอื่นเป็นไหมไม่เป็นแต่เขามองโยมแปลกๆนะคะตอนนั้นโยมไม่ได้ใส่ใจอะไรก็โยมก็บอกว่าถ้างั้นไปแบบให้เรียกรถพยาบาลก็คนไปส่งให้โยมก็ประคองเข้ามาถามเบอร์แม่มีไหมอะไรไหมอะค่ะจย์แล้วก็จนกระทั่งไปส่งมีคนพาเขาไปส่งโรงพยาบาลโยมก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามไปนะคะ มันมีทั้งฝนพลัมๆยมขับแบบเร็วเลยมก็คิดว่าถ้าขับแบบนี้ไม่มีสติแบบนี้เราอาจจะเกิดเหตุอีกยมก็เลยเบาลงแล้วก็ไปดูปรากฏว่าหัวแตกค่ะอาจารย์หัวแตกเข้ามาชนกับไอ้สเตนใหญ่รถยมอะค่ะยมเบี่ยงออกแล้วนะคะถ้าไม่เบี่ยงนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงก็ไปดูปรากฏว่าเย็บสองเข็มตอนเช้าโยมก็ไปดูเขาก็ไม่เป็นอะไรแล้วปรากฏว่าแม่เขาพามา อีกวันหนึ่งพาม า, มาสวัสดิ์ขอบคุณโยมค่ะอาจารย์แล้วก็ปรากฏว่าที่เขามองหน้าโยมเขาบอกว่าโยมช่วยเขามาสองครั้งแล้วครั้งก่อนเขาก็ล้มแบบนี้เหมือนกันแล้วก็โยมช่วยเขาแบบนี้เหมือนกันแต่โยมบอกว่ารอบนี้ยหนักนะหนูมาชนรถใหญ่ตอนที่เกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีสตินะคะอาจารย์ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอะคะ่ะข้างหลังรถก็ข้างหลังรถโยมอ่ะไม่ดีว่าไม่มีรถมา มันว่าโอ้โหนี่สติสติอย่างเดียวเลยค่ะอาจารย์แล้วก็พอวันศุกร์วันศุกร์อีกโยมพยายามเลี่ยงช่วงรถคับข้างก็ไปค่ะไปแล้วก็โยมเห็นแล้วรถข้างหน้าเขาตบไฟเลี้ยวซ้ายยมก็จอดจอดมอเตอร์ไซค์นะคะอยู่ๆเขาก็ถอยรถมาเร็วมากเลยค่ะอาจารย์มาจนจะถึงรถยมอยู่ละยมกดแตรเรียกเขาไปสองกดแตรกดแตรติดทีค่ะเขามาห่างรถยมประมาณสองศอกเองค่ะอาจารย์ โยมก็คิดอืมอะไรอะไรคราวนี้มันเล่นแรงไปก็มาคิดว่าถ้าเป็นการเรียนในทางโลกวิชาที่เราเรียนมันจะมาสอบเราครูบาอาจารย์สอบเราแต่พอในทางธรรมโยมก็มาเปรียบเทียบดูวิชาที่เราสอบมันก็คือผลของกรรมที่เราทำใช่ไหมคะอาจารย์แล้วคนที่สอบเราคือเจ้ากรรมในเวีอย่างนี้โยมคิดถูกไหมคะอาจารย์ไม่น่าไปคิดหรอกทํำก็สอบให้ได้กแล้วกันโอเคค่ะ เราล้มกัญอยู่ที่การทําข้อสอบมากกว่าคิดว่ามันเป็นอะไรโอ้โหถ้าไม่มีสติอาจารย์คะ่ะโยไม่รูโ้โอ้โหเอาโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยค่ะอาจารย์รู้สึกแบบ โ, โ, โชคดีจังเลยที่เราตัดสินใจเบี่ยงรถออกโชคดีจังเลยที่เรากดแตรเรียกอะค่ะอาจารย์โยก็เลยจากนั้นก็พยายามกลับมาเดินจงกรมที่บ้านเลยค่ะกลางคืนเดินที่ถนนหน้าบ้านเดินสองร้อยรอบคะ่ะรอบละยี่สิบเก้าเก้าค่ะอาจารย์ เดินเดินเดินด้งสติมันต้องขอบคุณสติที่ทําให้เราผ่านพ้นเหตุการณ์มาค่ะอาจารย์ให้ขอให้ใจเราไม่ทุกข์ขอให้ใจเราสงบเนี่ยนั่นคือผลสอบตอนนั้นก็คือแบบโหแต่เขาสอบแรงมากเลยค่ะอาจารย์ค่อยทวีความแรงขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะค่ะอาจารย์มีเวลากว่านี้ก็ได้ต่อไหมอยากเลยค่ะอาจารย์อยากได้ไงมันบันดาลตาไปสั่งมันได้ใช่ใช่ยมยมพยายามมองเป็นอนัตตาค่ะอาจารย์แล้วก็ยอกเกิดก ใช่ค่ะยมพยายามทําใจว่าเอาละไม่ได้ท้าทายนะคะแต่ว่าอะไรจะเกิดเราก็ต้องตั้งสติรับอย่างเดียวอา่านนายนิจจะก็ต้องตายใช่ค่ะยมยมบอกน้องว่าเออเดี๋ยวเขาเขาชวนยมว่าเดี๋ยววันนี้วันเกิดนะวันที่สิบแปดกรกฎาคมบอกว่าช่วงนั้นพี่ไปวิเวกนะพี่ไม่ได้ไปพี่ไปสะสมสเสบียงบุญพี่จะเผื่อเดินทางไกลค่ะอาจารย์ผมรู้สึกแบบ โอ้โห oh มันต้องทุกเวลาทุกเวลาที่ค่ามากเลยค่ะอาจารย์องเตรียมตัวในที่สุดก็ต้องตายข้อสอบใหญ่ในที่สุดก็คือความตายค่ะอาจารย์โยมรู้สึกแบบโอ้โหแต่ก็คือที่เขามองหน้าโยมตอนแรกโยมก็คิดว่าเขาคงโกรธโยมมั้งคะแต่พอเขามาหาโยมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขามากับแม่เขามาขอบคุณแล้วก็บอกว่าโยมช่วยเขาสองครั้งแล้วเหตุการณ์แบบนี้ที่หน้าร้านเหมือนกันค่ะอาจารย์ อ ก, อก็แบบวันสองครั้งพอนะลูกสามครั้งไม่ต้องแล้วได้ยไงค่ะยังรู้สึกแบบสติอ่ะนค่ะสุดเรียน้วิธีต่อสู้วิธีทำข้อสอบตอนนี้ได้ทั้งมีข้อสอบซ้อมให้เราทํากันอยากจะเจอข้อสอบจริงต่อไปแต่ก็ยังมีนะคะอาจารย์ไปเดินจงกลมกลางดึกมาเดี๋ยวกลับมาเป็นหวัดคะ่ะอาจารย์เป็นหวัดเพราะน้ําค้างแรงเป็นหวัดแล้วก็หายใจไม่ออกหายใจไม่สะดวก โยมก็หายใจคำของอาจารย์บอกหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกหรือไม่หายใจเข้าก็ตายโยมก็บริกรรมคํานี้ไปไปสักพักมึงโยมบอก hey, อเฮ้ยให้อย่าเพิ่อ ง, งอย่าเพิ่งร่างกายไว้แข็งแรงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาตรงนี้ก็มาเป็นพุทโธแทนค่ะอาจารย์พอพุทโธพุทโธจมูกมันก็โลง่งค่ะอาจารย์โล่งไปพอกลับมามีผลเหอปุ๊บมันก็คัดจมูกใหม่ต้องเอาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ออ ทีเรายังไม่พามานั่งสติแล้วก็นำพุทธา น, นัสติแทนกันไปก่อนยมบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพราะมันผ่านเหตุการณ์แบบวิกฤตมาเอาเรื่องอยู่นะคะอาจารย์เลือดเขาเต็มเสื้อเลยค่ะอาจารย์ยงเห็นโอ้โหเสียงรถ ด, ดังปักที่เขามากระแทกรถยมะเขาบอกแล้วเขาบอกยมว่ายมถามว่ายมเห็นนะว่าอยู่ๆล้มลงมาเฉยๆแล้วตอนนั้นหนูเป็นยังไงเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง มายืนมองเขาตัวดำๆโยมบอกว่าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเขามองดีๆไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรค่ะประมาณนั้นนะคะจาันโอเคแมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะาจันโยมต้องขอบพระคุณมระอาจารย์นะคะที่สอนให้โยมมีสติอยู่กับมันเนี่ยค่ะอืมจ้าแล้วคนเีชญามีอะไรไหมสาธุนรัตการค่ะพระอาจารย์ใครหยับบานิดหน่อยเอเลย มีมีคำถามค่ะจริงๆตอนแรกกะจะถามแต่ว่าระหว่างที่รอรอเขาระหว่างที่รอแต่ละท่านถามค่ะเจอเจอแก้แก้ปัญหาเพิ่งได้ค่ะเมื่อกี้ค่ะพระอาจารย์คือว่าหนูเจอเข้อสอบเก่าตั้งแต่สมัยประมาณเกือบเจ็ดปีที่แล้วค่ะพระอาจารย์ที่หนูเจอปัญหาลุมเล้าแล้วเครียดเครียดแล้วมีปัญหาทั้งลัางแบบมีปัญหาเรื่องกับโครคภัยไข้เจ็บด้วยแล้วก็เครียด จนจนต้องออกจากงานนะคะมาพักมาพักใจแต่พอคราวนี้ยค่ะพระอาจารย์หนูเจอข้อสอบอีกแล้วค่ะมันเป็นอาการเดียวกับเจ็ดปีที่แล้วเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวจะได้มีโอกาสได้มาได้มาทําข้อสอบใหม่แต่ว่าที่เหลังจากผ่าตัดนะคะหนูแทบจะเข้าสมาธิไม่ได้เลยเมื่อก่อ น, นะคะ่ะพระอาจารย์แค่พุดโธพุดโทไม่ไม่ถึงสิบครั้งะคะ่ะ ความสงบวาบแรกมันจะมาแล้วทุกครั้งเลยแต่ตอนที่ผ่านมามันไม่ได้เพิ่งล่าสุดนะคะเ อ, อหนูมีอาการน้ำในหูไม่เท่ากันค่ะพระอาจารย์แล้วมันโรงเพลงแต่ว่ามันช่วยได้ค่ะพระอาจารย์หนูตอนนั้นหนูคือว่าหนูไปเจอว่าหนูสู้กับอาการแล้วแบบสู้แบบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ต้านลมอะค่ะพระอาจารย์แล้วคราวนี้หนูแค่ลอง แล้วก็ในสมาธิทุกครั้งค่ะที่เข้าไม่ได้ค่ะมันก็คือมีปัญหาเข้ามาลุมแล้วแล้วมันเหมือนมีความรู้สึกเหมือนมันมีคลื่นเข้ามาในในเวทนาทั้งใจนะคะเหมือนมันมีคลื่นมาซัดๆตลอดเวลาแล้วหนูก็เลยเมื่อกี้ค่ะตอนที่รอนั่งสมาธิตอนเข้าซูมแบบหนูเนี่ยคือได้ว่าอ๋อก็ยอมรับความจริงเหมือนมีคลื่นก็มีขึ้นเหมือนตอนเราเมารถเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันดูสิแล้วมันก็มันใจมันสน มันใจมันวางไปอะค่ะพระอาจารย์หนูบอกไม่ถูกแล้วแล้วระหว่างเนี้ยค่ะก่อนนะ่ะหนูเข้าสมาธิได้แล้วค่ะพระอาจารย์ตอนแรกค่ะจะถามพระอาจารย์ค่ะว่าหนูจะต้องทําไงดีบอกแบบบอกไม่ถูกค่ะพระอาจารย์ว่ารอแต่ตอนนี้ทําได้แล้วค่ะคือเหมือนกับว่ารอให้มันปัญหาที่มันรุมเร้ามามันเหมือนเป็นพายุอะค่ะพระอาจารย์ต้กผ่านไม่กันค่ะไม่แบบเหมือนมันนั่งดูพายุเฉยๆอะค่ะหนูบอกไม่ถูกเหมือนกัน อืมค่ะแล้วก็พอแล้วสักพักพายุมันก็สงบแล้วมันก็ความสุขมันก็ว่าเข้ามาค่ะอาจารย์ได้สติกับมาได้ออเบคากลับมาค่ะคือแบบว่าหนูนึกว่าที่ผ่านที่ผ่านมาหนูนึกว่าการนั่งคือหนูพยายามนั่งสมาธิแล้วพยายามจะสู้ค่ะแต่ว่าไอ้สู้นั้นมันน่าจะไม่ใช่หน<ม>ูองค่ใช่มันสู้แบบควา ม, ยา อ, มอยากไงย่ไปสู้แบบความอยากต้องสู้ด้วยสติ อยู่กับสติอย่างเดียวอยาไปสู้อย่าให้มันสงบอย่าให้มันสงบไม่ได้ต้องสู้ต้องให้มีสติอยู่กับพุทโธนี่อยู่กับอะไรไปอย่างเดียวจะสงบไหมสงบไม่ไม่สนใจค่ะแล้วก็หนูไม่รู้ตัวได้ค่ะว่าหนูไปอยากมันนะคะพระอาจารย์ตอนที่ผ่านมาแค่รู้สึกว่าสู้สู้ไม่เป็นไรทนไปแบบว่าแบบพุทโธพุทโธแต่มัน แล้วมาเอจใจว่าให้ใจมันไม่ใช่ไม่ใช่ใจมันบิดบีบแปลกแปกมันไม่ใช่สภาวะนี้ที่เราจะเข้าสมาธิได้กับได้มไม่เป็นการไงค่ะค่ะแล้วก็ปัญหาอื่นๆหนูเป็นต้องใช้ปัญญาแค่ค่ะอาใช้ปัญญาว่ามันเป็นอย่างนี้จะทํำยังไงยอมรับมันเทิหมันก็มันก็ได้สติขึ้นมาใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ที่จริงมีปัญหาเรื่องอื่นๆค่ะแต่หนูก็คือรู้ว่า จริงๆถ้าเรามีสมแบบพอได้อุเบกขามาปุ๊บมันก็จะเป็นขั้นตอนตามตามโลจิกตามเหตุและผลของมันก็จะแก้ได้ค่ะพระอาจารยไ์ไม่ได้ทําด้วยความอยากมาแก้ด้วยความยากมันจะแก้ไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ตอนแรกจะถามคําถามนี้แหละค่ะแล้วเพิ่งเพิ่งเจอได้คำตอบ พ, พอดีค่ะพอดีค่ะพระอาจารย์องรู้ว่าน่าจะสู้ปัญหาที่มันเป็นต่ออีก อางทีก็ต้อใช้ปัญญามาแก้มาจะมองเห็นเป็นตายนักมันก็ปล่อยวางได้ค่พระอาจารย์คือบางทีหนูจะมีปัญหากับเรื่องคาพูดของคนนะคะพระอาจารย์มันมันรู้สึกมันเราถูกทารุณกรรมยังไงไม่รู้มันเจ็บปวดนะคะพระอาจารย์แล้วมันเจ็บมาคือหนูไม่ได้พูดเลยนะคะมันเจ็บปวดมากเหมือนมันทําให้เราเจ็บปวดมากมายอ่ะคะ่ะพระอาจารย์ ก็ทบาดใจขัดงการแล้วมันมีผลมากๆเลยซึ่งหนูก็สู้มันไม่ได้มาทุกตนาดแล้วต้องเอามาส้าพูดเองทำให้ชาบคําพูดไหนเอามาพูดเองพูดให้มันชินโห و, ให้มันชินชาเนี่ยทำไมเราพูดไม่มันบาดใจทำไมเขาพูดแล้วบาดใจมามันก็คําพูดคําเดียวกัน <S <S อ๋อออลืมค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์อะย คนไทยเข า, าชอบเรียกว่าดอกไมก้ไอเดาไอเอาแล้วก็มาซ้ำพูดกับตัวเราเองไอเดาไอเดาไปดูที่มันจะบาดใจหรือเปล่าแล้วเราไม่อยากให้เขาพูดแต่เราพูดไม่เป็นไรเวลาเราพูดเล็กไม่บาดใจแต่คนอื่นพูดเราบาดใจเพราะเราไม่อยากให้เขาพูดมันก็เลยบาดใจใช่ไหมค่ะคือหนูก็ลองเอาคําพูดที่ เจ็บปวดนั่นค่ะลองอลองมาพูดซ้ําๆมันก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่ตอนไอเ้เขาพูดตอนที่เร า, เาพูเราไม่อยากพอเราไม่อยากให้เขาพูดหนึ่งเดี๋ยวเอาม า, ปาไปเขพูดไปเขาก็ไปละนาตาเขากไปละนาตามันก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนกับที่หนูบอกอะ่ะตอนนี้เป็นอะไรนะเป็นเป็นน้อครูน้ำน้ำไม่น้ำในหูไม่เท่ากันมันก็แบบเดียวกันล คนพูดแบบนี้ก็เหมือนกับได้เจอน้ําในหูไม่เท่ากันอนะือก็ต้องยอมรับไปพอยามรับไปปล่ายก็พูดไปแล้วมันก็จบใช่ไหมถ้าไม่ยอมรับความจริงอันนี้ไม่ยอมให้เขาพูดมันก็พูดไปแต่ห้ามคนได้ที่ไหนนะ่ะใ<ช> ส, มสมเปรษมาณ ต, ตาอืมค่ะแล้วพอเรายิ่งต่อต้านมันก็ยิ่งเพิ่มความมึนความ ยิ่งทุกใหญ่เลยต่อต้าคือกิเลยความอยางอย่างไม่ก็้าพูดวิภาวะตัณหาพระอาจารย์อใจยัง <c oughs> เข้าใจคะ่ะพระอาจารย์เดี๋ยวหนูจะลองเอาไปใช้ก่อนนะคะลองซ้าอนกทีก่อนเอามาเอามาพูดกับตัวเราเองก่อนก็ได้แล้วก็อีกข้อหนึ่งคะ่ะพระอาจารย์หนู จแก้เรื่องเรื่องอาหารค่ะพระอาจารย์ตอนนั้นแต่ว่าพระอาจารย์เอแนะนําคุณซิรินทร์ไปแล้วแต่ขอถามเพิ่มเติมค่ะพระอาจารย์คือว่าจริงๆหนูมีปัญหากับเรื่องอาหารมานานมากแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ว่าไม่ได้มีปัญหากับเรื่องกลัวหิวค่ะแต่ว่าตอนตอนสองปีที่ผ่านมาค่ะเจอคนว่าเหมือนกันค่ะคือพอมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลดน้ําหนักด้วยความยากลําบากแบบด้วยแบบเคร่งคัดนะคะพระอาจารย์ อมกินมืดแล้วมีคนมาว่าเหมือนใจคะ่ะมันแบบมันปวดใจจนมันขาดแม่ขคะ่ะพระอาารแต่ว่าคือหนูค่ะแรงมันเหมือนไม่มีแรงจะกลับมาสู้ต่อเลยคะ่ะแต่ว่าหนูก็แค่ยอมรับความจริงว่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแตย่ยังไงพอนึกบางทีน้ําตาไหลทุกครั้งเลยคะ่ะแต่เมื่อกี้พอนั่งสมาธิเราได้มีกําลังใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือคิดว่า หนูจะสร้างเหตุก็คือก็ลองกินมื้อเดียวหรือสองมื้อต่อไปค่ะเพราะว่าบางทีที่ผ่านมาไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องร่างกายหนูด้วยค่ะมีบางช่วงที่ที่จริงๆคือการการที่หนูอยากจะตัดเรื่องอาหารนะคะมันจะมีสองประเด็นค่ะคืออยากจะเอาชนะจิตใจตัวเองกับอีกอันหนึ่งคือหนูอยากผอมค่ะค่ะจ ะ, ะ, ะแล้วคือเวลาที่หนูไปอยากผอมมากเกิน บีบางช่วงที่หนูกินแต่ตอนที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดยานค่ะเพราจากหนูกินหนูกินแค่โกโก้วันละครั้งสิบเกินสิบวันค่ะน้ําหนักหนูยังไม่ลดเลยแล้วหนูยิ่งรู้สึกมันยิ่งพอมีคนว่าอีกกำลังใจหายไปแล้วก็ผลมันไม่ได้แต่ตอนนี้ค่ะหนูกลับมาคิดใหม่ว่าไม่เป็นไรเราสร้างเหตุแล้วก็สร้างเหตุอย่างอื่นที่มันมีผลด้านจิตใจดีกว่าผลที่มันจะ ผอมไม่พผอมเดี๋ยวปล่อยมันดีกว่าค่ะพระอาจารย์หนูกะว่าจะลองใหม่แบบนี้ค่ะพระอาจารย์แต่ส่วนเรื่องปฏิกูลค่ะพระอาจารย์คือคือหมายถึงว่าอาหารที่เรากําลังจะกินนี่เราต้องมองเขาเป็นปฏิกูลก่อนกินเลยะะหรือคะหรือยังไงคะเนม่องถึงเวลามันไปอยู่ในถั่วส้วมเนอะเป็นยังไงเดี๋ยวนองไปเป็นในถั่วส้วมไม่ใช่จนหมายปลายทางของอาหารที่เราจะกินเนี่ยค่ะก็ดูดูจุดหมายปลายทางว่ามันเป็นอย่างนั้นเราอยากจะกินไหม หระคะหนูไม่วอาหารใหม่อาหารเก่าอาหารใหม่ก็อยู่ในจานเนีไยอาหารเก่าก็อยู่ในโถั่วงสื่อไงอ๋อหมายถึงพออาหารมาปุ๊บตอนเช้าคือมองเขาเป็นอย่างนั้นอเป็นอย่างนัเป็นอาหารเก่าไปเลยอ๋อใช่ไหมเพราะเวลามันเข้าไปในห้องนั่งกาล้วมันก็จะต้องกลายเป็นอาหารเก่าไปก็ไม่น่ากินนะคะพัทเช่นนั่นเลมันจะไม่อยากกินเลย เรามาดูสิลางทดลองดูงงดได้ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปใช้ค่ะอาจารย์ไปไปถ่ายรูปอาหารเก่าไว้ที่เราได้เผื่อจะได้จําได้ไม่ค่อยกล้ามองอยู่เรีนะอ้าวเวลาเวลาอยากจะกินมันนะไม่กล้ามองเวลามันอยู่ในจานทำไมกล้ามองมันนะมันก็อันเดียวกันไม่ใช่เนี่ยมันเพียงแต่เปลี่ยนหน้าตานั่นเอง ถึงไกเทศว่าเวลาหิวอย่าไปนึกถึงอาหารอยู่ในจานให้นึกถึงอาหารที่อยู่ในโถส้วมแล้วมันจะหายมันจะไม่อยากกินเลยหายหิวแต่นี่ก็มีโทษ น, นะถ้าใช้ไม่ไม่ถูกแลถึงเวลากินแล้วไปนึกถึงมันบ่อยๆเข้ามันกินไม่ลงแนละ้ะมันต่อไปมันจะพร้อมสู้ไปเลยลทุกครั้งจะกินข้าวมันกินไม่ลงเพราะว่านึกถึงอาหารที่อยู่ในโถส้วมเอัะนั้นก็ถึงเวลากินก็ต้องอย่าไปนึกถึงมัน ที่ให้นึกถึงมันตอนที่ตาเราเห็นยังไม่ถึงเวลากินแล้วอยากกินเนี่ยตอนนั้นเ่าให้นึกถึงมันจะได้หยุดความอยากได้แต่พอถึงเวลาที่จะต้องกินก็อย่าไปนึกถึงมันเดี๋ยวมันจะกินไม่ลงยังมีคนมีแม่ชีมันเคยปฏิบัติอย่างนี้ก็ไปเล่าให้หลวงตาฟังว่าทํำยังไงเดี๋ยวนี้กินไม่ลงเลยพิจารณาเป็นปฏิกูลไปหมดเลยหลวงตาบอกอย่างนี้นต้อมาเปลี่ยนเป็ น, ปนพิจารณามันเป็นธาตุเนี่ยอาหารที่กินเนี่เป็นธาตุ ทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วร่างการเราก็เป็นธาตุเป็นการเติมธาตุให้กับธาตุเอามองเป็นธาตุก็เลยกินกินได้เป็นปกติมตนต้องระวังนะบางทีพวกนี้มันมัมนมันมีผลผลเสียได้ถ้าเราไม่รู้จักใช้มันให้ถูกกาลรเรทศะถูกเวลาของมันมันกินยาผิดเวล ผ, ผิดเวลาก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ อาจารย์อันนี้ก็พูดมาไลยฟังเผยคนอื่นที่จะไปใช้จะได้น้ำมันระวังเดี๋ยวมาบนว่ากินข้าวไปลงเลยจะ้ะอาจาร ย, ย์เดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยโยมขอนิดนึงนะคะอาจารย์คือกรณีของโยมโยมกินมื้อเดียวค่ะอาจารย์แต่ว่าหลังจากนั้นมาก็คือจบนะคะโยมไม่ต้องดูก็ได้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องดูไม่ไม่ ถ้าเรามันไปหิวตอนที่ยังไม่ถึงเวลากินเนี่ยก็ต้องใช้เหมือนันเป็นกินยาถ้าเราปวดหัวก็เรากินยาแก้ปวดหัวถ้าปวดถ้าหัวถ้าไม่มีปวดหัวเราก็ไม่ต้องกินยาเพราะว่ามันยาแก้แก้ความอยากความอยากกินอาหารในเวลาที่ไม่ควรจะกินเช่นเรากินมื้อกินมื้อเดียวกินเสร็จแล้วตอนบ่ายบ่ายเที่ยงเที่ยนึกอยากจะกินขึ้นมาอีกอตอนนั้นอ่ะต้องนึกถึงเอายามากิน อย่างของโยมยมมื้อเดียวประมาณแปดโมงเสร็จเสรอาจารย์หลังจากนั้นก็ไม่นะคะไม่เคยสองมื้อเลยนะคะต่อให้ชวนยังไงก็ไม่อร่อยยังไงก็ไม่าจแต่ตอนเย็นๆท้องมัอาจจะว่างแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาแล้วอยากจะกินขึ้นมาตอนนั้นอาจจะต้องใช้ยาแต่ยังว่ายมยังไม่ต้องนะคะอาจารย์ยยังไม่เคยไม่ไม่เคยเจอปัญหาค่ะอาจารย์ต่อไปอยากจะทําความเพียรมากขึ้นอาจจะอดอาหารเป็นวันๆนี้อาจจะต้องใช้ได้ ยมยมยังไม่กล้าเลยค่ะจันยังวันละมือ้อยังมืม้ออยู่แต่พอไปบนเขาก็คืออาจจะน้อยลงค่ะอาจันอ่อนวันละสามอ่อนเทีงสามวันโดยตอนนั้นอ่ะมันจะคิดถึงอาหารบ่อยอันวิธีแก้ก็ลองคิดถึงอาหารเก่ายมย ม, ย, มยังไม่กล้าลองค่ะอาจาันเพราะว่ากลัวกลัวว่าเออเรามื้อเดียวแล้วเนี่ยเราจะเดิ้วยวัยด้วยนะคะจันมีปัญหารเรื่องวัยไหมคะอาจุยม ในเวลาเราก็แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่ผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณาหรือว่าเหมาะสอมกันตนหรือไม่อย่างไรคืออาจจะลดลงจะอยากลองดูอยู่ค่ะอาจารย์บางคนบางคนเจอปัญหาเรื่องง่วงม่วงนอดมากมันเลยต้องลดอาหารไปเรื่อยๆนนี้ไม่ ม, ออนน ม, มีอย่างนั้นก็ไม่เไม่มีไม่ไม่เป็นไรสาธุค่ะพรอาจารย์เขาพักคุณค่าพระอาจารย์คะขออีกนิดนึงนะคะพระอาจารย์คือตอนหนูจะทำเลยค่ะว่า คือปกติตอนที่หนูไปวัดนะคะหรือว่าถ้าช่วงที่หยุดเพื่อปฏิบัติธรรมอะคะ่ะหนูจะแบบชอบการอดอาหารมากเลยค่ะมันมีความสุขเพราะว่ามันอดได้เป็นหลายสิบวันเลยค่ะพระอาจารย์แต่พอหยุดปุ๊บออกมาสู่โลกภายนอกปั๊บมันแบบฝ่าเลยปุ๊บเลยค่ะใช่ <ไป S 1> ค่ะเป็นแบบเบรเลยใช่ใช<บ><บ>่ตอนนั้นก็ต้องดูดูก่อนถ้ามันมากเกินไปก็ต้องใช้ยามาแก้ ถ้าไม่ไม่มากเกินไปถ้ากำกับกินแบบปกติก็ไม่ต้องใช้ยา mm hmm. แต่พอกินมากเกินไปแล้บว่าอ้นี้มันมากเกินไปแล้ว mm hmm. ก็เราใช้ยามาแก่ใช้ใปฏิกูลมาแก่แล้วก็แบบส่วนใหญ่ตอนเย็นๆนะคะไม่รู้ว่ามันไม่ได้อืมันเหมือนมึนหัวจะอาเจียนเหมือ น, นไม่คงหิวนะคะพ้าเจา้แต่ยังไม่ได้นึกถึงอาหารแต่รู้สึกว่าเรากลัวกลัวเราจะอาเจียนกลัวจะ <g ül üyor> ก็ดูอาการแล้ก็ดูอาการไปปล่อยมันอ้วกไปมันไปอย่าไปอ้างว่ามันเป็นต้องถึงเวลากินอีกแล้วนั่นเอนี่คือนี่คือค อ, อุบายของกิเลสมันชอบมาสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วให้เราสรุปว่าต้องกินนู่นต้องกินนี่าก็คือก็มองมันแบบอยอมแล้วก็ยอมยอมให้มันเป็นอาการไปหรือมันจะตายไหมค่ะได้ค่ะถ้าเรไม่ถึงเวละถ้าเรามีความนั้งใจังไม่กินก็อย่าไปกินมัน จะให้มันมาหลอกแล้วให้เราไปกินจนได้ค่ะพระอาจารย์ขอบพร ะ, ะ, ค, ะคุณมากค่ะอาจารย์ตาจีองค่ะคุณต้าต่ออ้าคุณหมอไม่ใช่คุณหม อ, มมหมอต้าคุณหมอนะหมอต้าไม่อยู่แล้นี่กลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะต้ากลับนมัสการฝากกลับด้วยค่ะพอดีต้าติดภารกิจของโรงพยาบาลค่ะพระอาจารย์วันนี้มีงานรับแพทย์ใหม่ตอนเย็นค่ะอก็เลยจะต้องไปร่วม ง, งานค่ะอืมาทำหน้าที่ไป ทางหน้าที่ค่ะจํหนูก็ขอบายค่ะไม่ค่อยถนัดค่ะคอะกำลังทําบ้างดีกว่นะกาลังทํามาค่ะพระอาจารย์ก็ใช่ค่ะสงบจิตใจค่ะพระอาจารย์ก็หนูก็ฝึกสติตามที่พระอาจารย์สอนค่ะต้องขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะพอมีธรรมะที่พระอาจารย์ถ่ายทอดจากพระพุทธเจ้าทําให้รู้สึกมันชีวิตมันสงบค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์เราก็ทํางานอืใช่ค่ะ แล้วก็ไม่ร้อนใช่ค่ะแล้วก็ทำงานทางโลกก็คือก็คือทำแต่ไม่ไม่ไม่ก็คือทำได้ได้เต็นที่อยู่แต่ก็คือจัดแบ่งเวลาค่ะพระรู้สึกว่าจริงๆชีวิตแบบมีวัตถุประสงค์ในใจแบบทางเราเราอยากพ้นทุกข์แต่ว่าปัจจุบันยังต้องทำงานทางโลกก็ก็ทำตามหน้าที่ใช้ธรรมะนำคาใจ <Okay. S 2> ค่ะค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะโอเค ท่านต่อไปนี้ขอคนละสานาทีเนี่ยเพราะเวลามันน้อยลงไปนะครับนละสานาทีดูเ็นกรอไดดูน้ำหนักเพิ่มขึ้นนั่นเนี่ยใ ช, ใช่ไหมเสียงค่อยไปไหนเสียงไม่ค่อยได้ยินเลยใช่ใช่ครับอาจารย์อืาไม่มีพิจารณาปฏิกูลเลยว่าเดี๋ยวถ้าถ้าวันนี้สินแต่ได้เดี๋ยวพวกนี้ก็ เป็นแปดีครับตอนนี้มีกำลังใจขึ้นมาแล้วครับเมือกอนจะมีผคุยกับพี่อาจารย์เก่าผมโตเท่านี้ย <c oughs> หลายกิโลน่กขึ้นมาสิบกิโลได้มั้งเนี่ยห้ากิ <5. S 2> โลได้ห้ากิโลนะเมื่อเช้านี้มีลูกศิษย์คนหนึ่งมาเมื่อก่อนเขา็อ้วนแนี่ก็ามาเป็นอีกคนหนึ่งถามว่าลถไปกี่กิโลยี่สิบกิโล ทำไมนวดแต่หมอบอกว่าเป็นเบาหวานกลัวตายก็เลยต้องมีอะไรมาขย่ายใจให้หน่อยออืเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอเบาหวานเขาก็จะรู้เองเอเห็นเวลาต้องนวดเองนะถึงไฟบังคับนวดจะบังคับตัว เ, เองอยาให้ให้ใ ห, ให้อย่าให้เชื่อให้ปลอดภัยกัเจ็บมาบังคับเลยบัับได้ธรรมะโอ้ ก็จริงๆตัวเองก็รู้สึกว่าอจริงๆที่บ้านผมณพ่อเป็นมาเลงแล้วก็งานตรงนี้ผมก็รับลูกตาเล็กลงพราะงานมันน้อยลงเนียงง่ย ว, ว่าผมสุดใจผมที่วันที่เล่าต่าสิแบแปดได้เขารู้สึกว่า ค, คูอความอบอุ่นมากแล้วก็มีความสุขมากจริงๆผมสิบแปดก็พอแล้วแต่ว่าผมทําเพื่อบูชาอาจารย์เพราะว่าผมมาไม่มีอะไรตอบแทนพรอาจารย์ครับดีปฏิบัติบูชานี่เป็นการบูชาที่เลิศที่สุดพระวัเจ้าบอก ก็มันจะมีพวกวัตถุโมเลเลเยอะครับแต่พอผมมากึ่ก็นั่ศึกษาว่าคุณจริงใจเราอ่ะเราแก้ใจเราไปยึดกับการละล า, ายจริงจริงเองเราไมต้องเป็นวัตถุแต่ว่ามันต้องอาศัยการละลึกแล้วก็การปฏิบัติที่อยู่ข้างในแล้วก็สิ่งต่างๆที่เห็นภายนอกอ่ะมันเป็นแค่วัตถุเราจะการละลายเราจะละ า, ายอ่ะเราต้องถึงข้างในถึงที่กับตัวาตาแล้วก็เอาพูดกับผสมกันครับเป็นบุกใ เพราะเราติสตสังคมเพราะติสติสิ่งที่มันได้ชัดเลยทำให้ธรรมที่ที่มันมีคุณคาสมัยใหม่พอเอาสิ่ที่มันผลดำเนินต่อไปใจเราก็เลยสงบแล้วก็สว่างขครับโอเคดีเอาแค่นี่ก่อนนะเฮียหนานหนุยทไปที่คนนิสายต่อเอ ช่วงนี้คนมันนี้คนเข้ามาเยอะอนะพูดเยอะน้องกลับลนมัสการท้าพระอาจารย์ลูกก็ลูกก็ไม่มีคาถามค่ะอาจารย์ก็ยังปฏิบัติช่วงเช้าค่ะอาจารย์กลางวันบ้างบางวันอาจารย์เย็นก็มีบ้างค่ะพยายามรักษาระดับไว้นะอย่าให้มันลดน้อยถอยลงไปค่ะก็คิดว่าช่วงนี้ก็คงมันก็วุ่นวายนิดหน่อยอะค่ะอาจารย์ก็เลย ก็เลยปฏิบัติลงน้อยลงค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวจะชดเชยให้ค่ะพระอาจารย์จะชดเชยให้ได้ค่ะพอาจารย์อ่าอีค่ะก็ค่ะก็เป็นสเต็ปสเต็ชีวิตไปบ้านก็ตอนนี้บ้านก็อยู่ในเอสโคแล้วค่ะอาจารย์บอย่างมันเป็นตอนนี้อาจารย์ไม่เคค่ะอาจารย์อนนตามไม่ใช่ของเราค่ะก็พยายามค่ะอาจารย์ก็พยายามคิดตลอดเวลาว่าไม่ว่าอะไรก็ตามก็คือ จะต้องนั่งก็ต้องปฏิบัติต่อไปอ่ะค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ทิ้งค่ะพระอาจารย์อันนี้คือค่ะคือจุดมุ่งหมายเลยค่ะระอาจารย์ห้ามลืมค่ะพระอาจารย์แต่ตอนเช้านี่ไม่ขาดแน่นอนค่ะอาจารย์ตัวเช้าค่ะดีมากค่ะทําต่อไปนะค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะคุณตายตาคุณตาย เนยังไงน้ำการมรด ก, การเขาพระอาจารย์วันนี้ เ, เรื่องนึเดียนะเพิ่ข้ามาได้เลอกปกติค่ะวันนี้หนีฝนค่ะว่าคืนติดฝนอยู่ที่เทพสิทธิ์ค่ะพระอาจารย์กลับบ้านกับสี่ทุ่ ม, มเพราะว่าถนนน้ํามันท่วมอะค่ะกลับไม่ได้ก็วันนี้ก็เลยรีบมาเข้าสูมด้วยกลัวกลัวฝนกลัวติดฝนอีกแต่ไม่มีฝนก็พยายามปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ ตอนนี้ได้แนวแนวอีกแนวแล้ว น, นะคะให้ไปถึงที่ทำงานแต่เช้าก่อนเปิดร้านก็นั่งสมาธิก่อนค่ะพระอาจารย์ถึงเวลาเปิดร้านก็ ใ, ใจใเย็นๆค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์ได้สักสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วแต่เวลาที่เราไปถึงที่ร้านเร็วถ้าถึงเร็วและเหลือเวลาที่ก่อนเปิดร้านมากเราก็ได้นั่งมากค่ะพระอาจารย์หลังจากนั่งเสร็จก็ให้เราถึงความจริงว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายนะ เจ้ขาขเดิ่แก่เจ้าขาพระอาจารย์ก็เริ่งแก่เฉยๆนี่หนูนึกทุกวันเลยหนูนมองกระจกแล้วหนูก็โอ้ผมขาวขึ้นมาละผิวเหี่ยวขึ้นมาละโอ้อันนี้คือแบบมันมันไม่เหลือจะสวยยังไงหรือว่าใครจะสวยยังไงสุดท้ายก็แก่อยู่ดีก็เลยค่ะก็เลยทำใจแล้วก็เดี๋ยวใกล้เข้าบรรษาแล้ว๋ยมก็จะ ใช้ไม้แข่งกับตัวเองนะคะสิบแปดเหมือนเดิมคะ่ะพระอาจารย์พีนี้แล้วก็ <Okay. S 1> ถ้าออกจากออกพรรษาก็จะพยายามรักษาสิบแปดมันมากขึ้นตอนนี้เละเทะ <c oughs> แล้อค่ะยังไงก็ที่ระวังก็อย่างดีวันพระทุกวันพระแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็วันพระเนาะ <c oughs> ใช่ไหมคะพระอาจารย์เตรียมตัวนะ อ, อ, อ, อีกอีกอาทิตย์ น, นึงก็เข้าพรรษานะ ใช่ค่ะปีนี้เหมือนจะเร็วนะคะพระอาจารย์ ม, ม, มันเหมือนกันเนี่ยเรายุบมันก็เลยสึงมันเร็วเวลามันก็เท่ากันค่ะนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์กลั <Okay. S 2> บไปเป็นแม่เฝ้าออสอคนสองคุณสาธรารณใช่นะ่ามาฟังทำค่ะพระอาจารย์ไม่ปีดปัญหาค่ะปิดเดี๋ยวค่ะเป็นธรรมะและธรรมเมาวันนี้ เดยทังสองยาวบนกันเอาน้าอย่างละนิดแล็กน้อยข้ะอาจารย์ปฏิบัติค่ะคุณซันนี่แมงข้อยังแปดเยอะอ่ะการนมัเสกการค่ะพระอาจารย์ยังถือศีลแปดอยู่ค่ะแต่วันนี้กลายเป็นเจ็ดค่ะเผลอสติเผลอสติไปเผลอคุณแม่ทอดไข่ปลาไว้ค่ะแล้วเผลอไปหยิบชิม ลแล้วก็เอ้าลืมเผื่อจะติดเลยค่ะพระอาจารย์ขอขอใหม่ค่ะกืเลีนมัเก่งนะเราได้มันไบมากเลยค่ะพระอาจารย์เข้าปากไปแล้วร้องเสียงหลงเลยคุณแม่ก็บอกอ้าวก็ไม่นึกว่าจะหยิบแม่ก็แม่ก็เตือนไม่ทันค่ะ ถ้าถูกเตือนอาจจะกรธก็ได้ถ้าถูกเตือนอาจจะโกรธขึ้นมาก็ได้ไม่โกรธค่ะแต่คือแบบเผลอจริงเผลอสติจริงๆค่ะมันน่ามันแบบเห็นพอเห็นเห็นน่ากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิเลสมาเลยค่ะพระอาจารย์ต้องต้องต้องคุมสติใหม่คุมสติแล้วท้ำรวมเห็นสีซ้ำรวตาหูนี่อย่าไปมองอะไรสิที่มันโอเคไหวมากเลยค่ะ ไม่ทันคิดเป็นปฏิกูลอะไรเลยค่ะเข้าปากไปแล้ว <laughs> <Okay. S 2> แต่ว่าอาจารย์ก็ไม่มีคําถามค่ะยังปฏิบัติอยู่ค่ะอ่าครับทุกกาจะเห็นปฏิกูลนี้มันต้องซ้อมไว้ก่อน <c oughs> ต้องฝึกไว้ก่อนน่คิดบ่อยๆแนนต่ว่อ า, าอาจารย์อ่าโอเคฮะคะแนนต่อคะแนนอุดรน้ำกลางน้ำมาสการค่ะอาจารย์ดไม่มีคําถามต่อคะ่ะ Uh. Good you. You. David. Bonjour, how to much to okay. today? Uh, not too late. <laughs> uh. Today holiday, so. พักนอนครับพักผอนนะพักร้อนค่ะวักร้อนยังเหอกี่วันถึงจะกลัไปทำงาน วันจะน่าจะทำยัครับวันจะน่าเนอะโอเคดีวันุวันใช่คแล้วไม่ออกไปเที่ยวที่ไหนบ้างไมไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปเที่ยวค่ะไม่ไปไกนยังอยู่ฝรั่งเศสอยู่เลยใช่ค่ะอือ้วที่จะกลับไปนิวยอร์กแล้วยังค่ะเดี๋ยววันศุกร์นี้ค่ะวันันจุดเด็นทางค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็ แล้วสาวที่เก็พักผ่อนเตรียมตัวไปทํา ง, งานต่อครับท <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่าอาจารย์พอดีเมื่อวานพอดีเขาได้เอเขาเมื่อวานเขาได้กลับมาก่อนนะคะถ้าอาจารย์เขาก็ดีใจยุที่ว่าวันนี้ก็ได้เข้ามากราบท่านอาจารย์อยีกวันเพราะปกติเอ่แผนเขาจะต้องเออกลับวันนี้ตอนเมืดอะค่ะท่านอาจารย์อืมวันนี้ได้กลับมาก่อนเนะีได้เข้ามาทักทายกันนะ อะไรันอาจารย์ที่ได้พบหน้าเห็นหน้าโอเคเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดือนเดืนธันวาเดือนธันวามกันวันย็นบ้างมาดูกันครบท่านอาจารย์โอเคดีได้เจอกันมาส่งท้ายไปก่อนเข้าดาวเข้าดาวอ่ะท่านอาจารย์เนี่ยเ้าบอกก็คิดถึงท่านอาจารย์เขาเลย โ okay. อเคหนูก็ดีใจด้วยค่ะถ้าอาจารย์ที่ไม่ต้องอ <Okay. S 1> อาใจการของ ต, ตัวเขาเองค่ะาอาจารย์โอเคเอลุกกรเลยได้ผลลัพธ์ไปด้วยค่ะถ้าอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะท่าอาจารย์พายมีความสูงมกากๆนะทั้งสองคนเลยค่ะเข็เป็นทั้งคู่อย่างสูงค่ะโอเคบายบายอ่า okay. ไปที่มาลิกาต่อมาลิกามีอะไรไหม แบบน้มัตการเจ้าค่ะผ้าจา์ก็ไม่มีอะไรนลยค่ะผ้าจา์แต่ว่าก็คือได้ฝึกสติอยู่ตลอดเลยค่ะผ้าจา์เพราะว่าเมื่อคนพ่อมาอยู่ด้วยก็คือแล้วได้มองถึงใจนะอันนี้จังอนั้ตาและความทุกข์ที่เกิดขึ้นในยามที่ว่าอายุเยอะมากแล้วก็มีได้ทุกอย่างเหมือนกับวันนี้คุณพ่อก็จะบอกบอกว่าทุกอย่างมันรุมเร้าเสียแล้วเกินก็พอดีพ่อเป็นลูก จุลิกด้วยเป็นโรคเกา่าอันนั้นคือความเจ็บปวดววมันก็หมอนมามีมากมายบางครั้งเกิดอาการกันก็ต้องดูลแลก็คือในในการดูแลตรงนี้ก็คือได้รับจากพระอาจารย์อะไรนะคะพระอาจารย์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามีจิตเมตตาระวางอุเบกขาลงไปได้เป็นความรู้สึกว่าเราทําอะไรได้ง่ายๆง่ายคอาจารย์เราจะมไม่รู้สึกขัดใจอุเบกขานี่น<อ>สำคัญมากเชิญครับอาจารย์นี่คือการเรียนรู้ ดูตรงนี้แต่ว่าในเรื่องของการนั่งสมาธิบางครั้งก็ลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าการมาดูแลคุณพ่อเพราะว่าจะไม่ให้เข้าห้องน้ำดังนั้นเมื่อพ่อฉี่เราต้องเอาฉีพ่อไปถีใน ห, ห้องน้ําทุกทุกครั้งและทําให้เรารู้สึกว่าอ่อนล้าตรงนี้จะกลั จ, จัแต่ก็พยายามอยู่แบบว่จาจะให้อยู่กับมันให้ได้พูดโท้ให้ได้แม้เราจะไปทํางานก็ถึงตอนที่ท<ด>่านเลี้ยงเราดูมานะท่นเลี้ยงดูเรามา ให้กำยังดูเราได้อันนี้เรา เ, เป็นหน้าที่เราต้องอแทนบงคนแล้วต้องทได้นะค่ะใตจารมีความสุขค่ะใอ้จารีน่มีความเมตตาใชาค่ะจารลูกไม่มีคาถามเจ้าค่ะใ่ทุกแพทย์คุณหมอ ส, ส, สรันนทราสกท่านพระอาจ า, จ า, ารย์เจ้าค่ะลูกมีคาถามเจ้าค่ะอ่างบดีสบายดี สงบดีสบายดีเจ้าค่ะโอเคสาธุขอบคุณค่ะนาจอยนาจอยสองครในบ้านยุตินงแลใช่ไหมอจารุที่เนี่ยหนูหลบเข้ามาเพราะสงครามนี่แหละหนู <c oughs> โอมันมันไปมันทำงานแล้วมันสั่งสั่นไงเงะเ้าเพ่มเหมืออยู่ในบ้านนี่แหละเพิ่งตีกันเสร็จแล้วหนูก็เลยแบบมาพักใจเข้าสู่หาอาจารย์ ยอมหยุดเย็นนะยอมแพ้หยุดหยุดต่อต้านหยุดต่อสื้อใจจะได้เย็นอะหนูอะคิดอย่างนั้นตลอดหนูคิดว่ามันอะไรมันก็ทุกไปหมดแหละอย่าอย่าไปหางหวังว่ามันจะสุขไปตลอดเลยมไม่มีหรอกหนก็คิดไปอะไรก็ทุกก็ก็ทําไปเท่าที่ทํำก็แล้หนูคิดอย่างนี้นอย่า ไ, อย า, ไย า, า, าไปหวังอะไรจากเขาที่ทุกข์ก็เพราะไปหวังใช่ค่ะใจหวังอเลยทุกข์ใช่ พ่าจะพิ่มเหมือนลเมื่อกี้เพิ่งจะแบบสนสนร้อนกันมาเลยหนูก็เลยแบบมาเข้าสูมนี่แต่เดี๋ยวพวกนี้ไปใส่บาตกันเหมือนเดิมค่ะโอเคพวกนี้วันพานะอ๋อค่ะแล้วอพาหน้าหนูจะเข้าวัดเข้าขึ้นเขาเลยวนะคะอ่าแล้วกี่วันนะหนูตจองไว้วันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองก็คือเข้าวันเสาร์พอดีเลยค่ะโอเคไปคนเดียวเลยอันนี้คนเดียวคนเดียวขึ้นขึ้น ขึ้นเขาชิโอนเลยค่ะ okay, อเคแล้วเราเอาเอหนูขอถามเขาแคว่าเราไม่ต้องเอาของกินขึ้นไปแล้วถ้าเราฝึกจิตคือเอาแต่น้ํากับนมอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะได้ได้เนอะแต่เราถ้าอาจะหาที่แชร์ตัวเย็ยนได้หุ่นได้ก็เอาไปก็ได้แต่ถ้าเราคิดว่าจะลองสู้กับความหิวดูก็ไม่ต้องอ า, อาหารไปเอาน้ํเาเอาของที่เราเดื่มสะดวกไปไม่ถึงตายนะคะไม่ถึงตายหรอกไม่ถึงตายถ้าเราไม่ได้กินถตตาาายยเรวันไม่ อ๋อเดินโน่ลองดูโอ้เจา้าต้องสี่สิบเก้าวันยังไม่ตายอ๋อเดินโน่เขาขึ้นแล้วหนูนจะกลับมาบอกว่าไปในบ้านค่ะ อ, อแต่ต้องต้องมีตงสติทำใจสงบนะอย่าปล่อยให้มันหิวนะค่ะค่ะเวลาหิวก็ให้คิดถึงอาหารเก่ามัางอย่าไปคิดถึงอาหารใหม่ค่ะได้ค่ะ <พอ S 1> โอเคสบยยาวค่ะสบกยดูพพค่ะอ่าจะอ่ะเอออาเปาอะไรต่อ กลับมาสักการเจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะเออชอบยอมอยู่เย็นเหมือนเดิมค่ะใช้ได้ทั้งทั้งโลกแล้วก็ทั้งธรรมเจ้าค่ะเดีลูกสาวเป็นยังไงบ้างกลับมาแนละ้วลูกสาวกลับมาแล้วค่ะยังไม่ให้ยังไม่กล้ามากราบพระอาจารย์ยังไอๆอยู่แต่ว่าเดี๋ยววันที่จะไปฟังธรรมะค่ะเดี๋ยวจะเลือกวันแล้วก็จะไปกราบพระอาจารย์ที่ที่นาโกติเจ้าค่ะโอเคเจิตใจจิตใจก็ดีแล้วนะเป็นปกตินะ จิตใจเป็นปกติแล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่เข็ดค่ะเขาบอกว่าเขาจะไ ป, เ, ไปเขาจะไปหมันหนูก็บอกว่าตามตามสบายเลยจะทําอะไรก็ทําเลยหนูหนูห น, <อ>หนูก็หนูก็อยู่ตรงแม้ค่ะไม่ไม่จะเป็นผลรับผลของของการกันทำของเขาเองค่ะก็บอกบอกเขาแล้วว่าแม่ไม่ยุ่งแล้วนะต่างคนต่างคนต่างเดินแม่แม่ก็จะมุ่งมานิพพานหนูจะไปทำอะไรก็แล้วแต่หนูอะไอย่ะงเงี้ยเดะอา เ, อาเอา ไม่ไม่ไม่กล้าเข้านะคะเพราะว่า บ, บอกไว้ว่าถ้าเข้าถ้าเข้าสู่นี้หนูต้องหนูต้องนั่งสมาธิเหมือนน้องๆนะยังยังรู้สึกว่ายังไม่ไม่ค่อยแข็งแกร่งโอเคค่ะขอบคุณครับค่ะคุณน้อยลุงเรืองคุณน้อยได้ยินไหมใช่ได้ยินแล้วครับหมอลุ่งเรืองนะครับอาจารย์อ๋อกขั้นตอนดีครับวันนี้ไม่มีคําถามครับอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วผมไปอเมริกาครับเลยไม่ได้เข <backup assembly> ้ามาครับ you know กรมที่คุณหมอทํางานอยู่นี่มีหน้าที่ทำอะไรบนะ้างตอนนี้ผมดูแลเรื่องปรมาณูเพื่อสันตินะครับก็คือเวลาพวกมันกระเทศอเมริกาก็มีหน่วยงานเนี้ครับพระอาจารย์มามทำหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันแล้วเวลาเข้าควบคุมอะครับปกติ ม, มันจะมีเรื่องนิวเคลียร์มีเรื่องปรมาณูมีเรื่องกากกำมะตังสีครับพระอาจารย์แล้วต้องรู้จักวิธีปฏิบัติมันเไหมแล้วผมต้องจากวิธีปฏิบัติควบคุมมันครับพระอาจารย์อืมผมมาก็ใช้ ธรรมะเนี่ยพระอาจารย์มาบริหารคนในองค์กรจากเดิมที่เขาคะเลาะ ก, กัน <c oughs> มีเรื่องกัน <c oughs> ก็ใช้ธรรมะใช้หลักปฏิบัติต่างๆเข้ามาช่วยก็ดีขึ้นครับพระอาจารย์ตัวเองก็มีความสุขดีสงบดีครับนอกจาก ง, งานแบบนี้แล้วมีห น, น้าที่อย่างอืงอ่นอีกไหมผมก็<อ> ม, กมีของกรมก ม, มีหน้าที่อย่างเช่นเวลาเราเราก็ให้มีการใช้โรงงานไฟฟ้าดิฟเฟี ย, รรยครยับพระอาจารย์ทําความเข้าใจกับประชาชนครับ อืให้ให้นำมาใช้ได้เพราะว่าประเทศชาติเนี่ยจะได้พลังงานที่สะอาดแล้วก็ความเป็นพิษน้อยกับประเทศกับประชาชนครับอาจารยอ์อันนี้ก็ยังมีโครงการที่จะจ ะ, จะทําอยู่นะใช่ครับจะต้องใช้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยครับพระอาจารย์แต่เปนมันปลอดภัยมากแต่ว่าประชาชนเราจะเข้าใจผิดว่ามันน่ากลัวมันอันตรายแต่จริง ม, มันปลอดภัยกว่าเรื่ององื่นอีกนะครับผมก็ต้องมาทําการสร้างความเข้าใจครับอุ้อยเหนื่อ ย, ยนะ ครับอาจารย์ก็ได้ทำประโยชน์ครับ mm hmm. แล้วก็ช่วยให้เราเรื่องภยัยครอย่างตอนเวลามีสงครามมีหลานกับอิสระเอียวเราก็คอยเฝ้าระวังเรื่องนิวเคลียร์ให้ประเทศนะครับถ้ามีก็ต้องแจ้งเตือนทางรัฐบาลเขาครับนอกจากนิวเคลียร์เรามีงานอย่างอื่นด้วยเปล่าัตผมเองโตผมเองผมตอนเย็นเนี่ยผมเป็นแพทย์ตวครวจกลไข้ครับพอาจารย์จะ ก, การของขอ ง, ของกลมของกลม ก็จะมีรับผิดชอบงานนิวเคลียร์รังสีอย่างเดียวเลยครับพระอาจารย์ก็คือนิวเคลียร์แล้วก็รังสีนะครับรังส <Okay. S 2> ีพวกเครื่องมือไปรักษาคนไข้อะครับ เ, เช่นเครื่องโฟตอนเครื่องอยูตอนที่รักษาคนไข้มะเร็งครับพอาจารย์ครับแล้วพวกกากที่ต้องเทงเนื้อใช่ใช่ครับต้องกากผมก็ต้องเข้าไปจัดการครับบางทีเขา เ, เขานําเข้ามาเพื่อ เพื่อใช้ในบางสิ่งบางอย่างนะครับก็จะมีกากกรมตตังสีอยู่ผมก็ต้องไปคอยป้องกันไม่ให้มันมันหลุดรั่วกมาครับมันมีวิธีกําจัดที่เป็นมาตรฐานแต่บางทีบางทีในสังคมก็อาจจะไม่ค่อยรับชอบก็มีครับเราก็ต้องมีการตรวจจับมีเครื่องตรวจจับต่างๆครับเมืม่นานก็ต้องจะมีเสาปรากฏขึ้นมาใช่ครับเหมือนที่ล่าสุดก็ที่ว่ามีอซีเซียมหลุดออกมานะครับทางผมก็ต้องเข้าไปควบคุมจัดการครับอืม โอเคส่วนการปฏิบัติทารของคุณหมอปฏิ บ, บัติเรื่ดีรับเลินผมตอนนี้ผมได้เกือบทั้งเกือบทุกเวลาเลยนะครับถ้าไม่ถ้าพุโทโธได้พุโทโธถ้าพุโทโธแล้วเออ่ไม่ค่อยสงบ ก, ก็อิติปิโสครับผมก็สวดไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามนั่งสมาธิมีสัปดาห์ที่แล้วนั่งไดน้อยครับแต่ผมติดจะนั่งทุกวันนะครับนั่งให้ได้ชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยครับพระอาจารย์อืพยายามแล้วก็รักษาศีลก็ บริสุทธิ์ขึ้นพยายามรักษาสินใกล้ๆสินแปวนะครับบางวันก็เียรก็ยังมีมื้อเรื่องอาหารอยู่เพราะว่าตอนเย็นบางทีบางทีเหนื่อยมากแล้วก็ทานได้ครับแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยผมก็เรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็ปฏิบัติเหมือนพระอาจารย์เลยครับเราก็น้อยสันโดษใช่ครับผมทําผมทํมทมามักน้อยสันโดษเลยครับเรียกง่ายแทบจะเดี๋ยวนี้มันแปลกครับอาจาย์แต่ก่อนก็อยากไปกินเรื่องอยากไปหาเพื่อนอยากอะไรเดี๋ยวนี้ไม่อยากไปสัอย่างเลยครับก็ นั่งสมาธิส่วดนมลนพักขวนนดีสุดแล้วครับก็จะมาได้ผามากกว่าเยอะครับอาจารย์แล้วก็เราก็เห็นความจริงฮนะแต่ก่อนเราก็เรื่องความอยากเรื่องชื่อเสียงเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องต่างๆนะครับอาจารย์ตอนเราเด็กๆพอตอนหลังรู้สึกว่าโอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีคุณค่าอะไเลยครับแล้วปรากฏว่าพอเราไม่ไปอยากมันเรากลับมีความสุขมากกว่านะครับมีความสุขมากๆเลยครับแต่ผมเนี่ยผมบางทีผมตอบคำถามคนอื่นไม่ได้ผมพยายามบอกเขานะครับเขาถามผมว่า นี่ทําดีได้ดีเสร็มช่วยได้ช่วยไหมผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของใจมันวัดที่กายไม่ได้แล้วมันวัดที่ลาบยศเสริญไม่ได้<ม>เวลาน้องๆบางทีเขาบอกเอ๊ะทาไมเขาทําดีไม่ได้ดี<ม>นะครับผมก็บอกพยายามบอกให้นี้จริงๆถ้าลองสวดมนต์รักษาศีล น, นั่งสมาธิแล้วปฏิบัติไปได้สักระยะหนึ่งอ่ะจะเข้าใจเรื่องพวกนี้เองพอเพรอโตเป็ผมก็ฟังฟังผ้าจาย์ทุกวันนะครับบางทีฟังวันหนึ่งไหมลูกหลายๆรอบไเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงตลอดก็มีมแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยทําสมาธิไป แต่ว่าพอยลาน้องบางคนเขาถามผมบอกว่าแล้วแล้วเวลาผมเห็นคนที่ทําไม่ดีเนี่ยเขาได้รับยศเสริญพี่และเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีความสุขเพราะว่าเขาก็ไม่สนใจว่าเขาจะทุกข์อะไรเขาก็หลงอยู่ยงนงานของเขาผมก็ได้ตอบว่าจริงๆมันเป็นของไม่จริงตอนนี้เขายังหลงอยู่เขารู้สึกว่ามันเป็นสุขแต่พอต่อไปเนี่ยเมื่อกรำรตามมาถึงเขาจะได้รับผลของกรรมนั้นนะคร mm ับ hmm. ผมก็ ตอบอย่างนี้ได้จะถูกนะครับอาจารย์เวลาวล่ามยุษณะเสริอมันเสริอมมันก็จะทําให้เขาถุกใช่ใช่ครับเพราะว่านนะนี่จังเขามองไม่เห็นเองครับผมโตเองผมได้กับตัวเองอนะครับแล้วก็แล้วก็ชีวิตโหต่างไปจากเดิมมากครับพระอาจารย์ชีวิตมีความสุขชีวิตมีความสงบมันมันคนละอย่างนะครับไม่ดินโดนใจเยอทยาน<ห>ไม่พอโอไม่ไม่มีเลยครับพระอาจารย์ใครจะมาเรื่องอะไรต่างๆจะมาอยากให้เราก็ไม่ได้ไปอยากอะไรแต่เราก็ทําหน้าที่ทํางานเราให้ดีนะครับ ก็ทําเต็มที่ตามหน้าที่แต่ว่าระหว่างถ้าว่างผมก็จะนั่งสวดมนต์กับทําสมาธิครับทำซาบไปเงินดีกว่าใช่ครับอาจารย์ครับไม่มีงของจริงมีความสุขกว่าคนละชั้นกันเลยครับแค่ตอนนั่งสมาธิแล้วมันได้จุดสงบแล้ครับพอมันเข้าไปปึ๊บโอ้มันมีความสุขยิ่งกว่าสิ่งเงินใดเลยครับแล้วหลรอครับอาจารย์ผมก็พยายามว่าตั้งใจว่าจะต้องปฏิบัติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ถึง ผาลียะให้ได้นะครับให้ถึงอริยะส่งให้ได้เลยครับเดี๋ยวต่อไปเวลาเกษียณอายุก็จะได้มีเวลาปฏิบัติมากขึ้นครับปีอีกห้าปีผมก็บางทีก็ตั้งใจว่าจะไปปฏิบัติธรรมตอนเกษียณนะครับไปตลอดเลยแล้วก็เดือนหนึ่งผมก็มาที่วัดพระอาจารย์เดือนละครังครับตั้งใจมาทุกเดือนบางคนอายุเจ็ดสิบก็ยังมาบวชได้มีพระอาจารย์ที่วันนี้มีแพทย์คนหนึ่งอายุเจ็ดสิครับก็มาบวชเนี่ยบวชได้เกือบสิบปีแล้วครับพระอาจารย์ผมก็ได้ ต้องกลับกับพระคุณพระอาจารย์ครับจริงๆได้ธรรมะจากพระอาจารย์เราก็ได้พบทางความสุขแล้วครอบครัวทุกคนภรรยาเขาก็ปฏิบัตินะครับ<ม>ตอนนี้ก็ให้ลกูกหมอพยายามชวนเขาปฏิบัติอยู่แล้วก็พา<ม>พาเขาเข้าไปไปที่วัดไปที่ที่พระอาจารย์ไปนั่งอย่างน้อยเดือนต้องไปหนึ่งครั้งนะครับผมก็ไปต้องไปกลับพระอาจารย์หนึ่งครั้งแล้วไปนั่งสมาธิดี <ไป S 2> ๋ยสามเดือน ครับไปไปไปให้เข้าเดือนสัปดาห์นี้ผมว่าผมตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิทุกวันนะครับพระอาจารย์จะตั้งให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับสัปดาห์ที่แล้วนั่งน้อยครับพระอาจารย์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้แต่สวดมนต์สวดมนไปสวดมนไปแล้วแล้วก็หลับไปต้องชดเชยต้องทำชดเชยหน่อยพระอาจารย์แต่ว่าเรื่องเจริญสมาสติเนี่ยดีครับพระอาจารย์สมมาสตินี่ดีขึ้นมากๆเพราะว่ามันจะไม่ค่อยหลุดครับพระอาจารย์แล้วก็พอทําสมมาสติมาเนี่ยพระอาจารย์บอก พอจะเข้านั่งสมาธีแป๊บเดียวก็สงบแล้วครับมันไวมากมันเร็วมากมันม่มันไม่คิดเละครับพระอาจารย์ตอนนี้ถ้าเวลาเวลาว่างจะคิดอะไรผมก็พุโทโธพุโทโธหรือว่าหายใจเข้าลึกๆออก ย, ยาวๆแล้วก็ส่วนนิติปิโสมันจะวนกันอยู่หลายหลายอย่างเนี่ยครับถ้ตอนตอนทำสมาสตินะครับปฏิบัติธรรมครับแต่ว่าตอนสมาธิตอนนี้สมาธิผมยังทําน้อยไปเดี๋ยวสัปดาห์นี้ผมจะทํามากขึ้นมากขึ้นดีครับจะเพียรมากขึ้นเรื่อยๆครับ ชาวที่ยังมายังมีกําลังสู้กิเลนมากขึ้นครับอาจารย์ครับนะครับวันนี้ก็ได้ข้อดีคือที่ท่าพระจ้าี่มีท่านนึงบอกว่าเ อ, อมองอาหารใหม่อาหารเก่าหรือว่าอะไรผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ในการในการรักษาสินแปร์ดมือเย็นได้มากขึ้นครั บ, บนะอทำปอาจานแล้วเดี๋ยวผมจะมารายงานพระอาจารย์นะนะครับจะมาส่งกลับบ้านครับกบราบพระอาจารย์ค <Okay. S 2> รับอาจารย์ท่านแข็งแรงครับสาธุครับอ คนพนาม US, อเมริการ USA กับมาสการบราจาร์ค่ะ mm hmm. ก็ปฏิบัติอยู่แล้วก็ที่วัดมีงานไม่ใช่งานี่ครับมเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะคะลูกก็ได้เข้าร่วมด้วยปีนี้ mm hmm. แล้วก็ได้เป็นจิตอาส า, าไปด้วยควบคุ่ไปด้วยแล้วก็มีหลวงพ่อที่ท่านอายุเก้าสิบสามนะ่เจ้าค่ะหลวงพ่อ ท่านก็จะมานำพาปฏิบัติจาะได้สติได้สมาธิเพิ่มขึ้นแต่ปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วก็อ่าร่างกายที่เวลานั่งแล้วมันมันมันมันรูปสามารถผ่านทุกขเวทนาจากการนั่งได้หลายๆรอบจ้ะหลวงพอ่อแล้วก็เห็นสติอยู่กับตัวเองเห็นการนั่งของตัวเองจ้ะค่ะ ไม่ได้ส่งกินต่อไปเวลาเจ็บไข้ในป่วยจะไม่เดือดร้อนนั่งกายจ็บปวดอย่างไงเราก็อยู่กับมันได้เจ้าค่ะแล้วก็ลูกจะกลับเมืองไทยวันที่วันวันที่แปดเจ้าค่ะเพราะขณะที่ทานอาหารแล้วอยู่ๆฟันก็หักมาแต่ก็ทำฟันนะเจ้าค่ะมันหักกลางเลยแล้วก็นั่งแม่ข้างๆแกก็ได้ยินแล้วแกก็บอกหักแล้วลูกเอ๋ยลูกก็บอค่ะแม่แล้วก็ ก็ไม่ทูกข์จจ้าค่ะมันก็ปวดบ้างหายบ้าง <Yeah. S 2> แล้วก็แต่ว่าก็รักษาเอาไว้พอดีหมอที่นี่เขาบอกว่าต้องผ่าออกลูกก็โอเคงั้นเดี๋ยวกลับเพราะว่าก็จะได้ไปทําัให้เสร็จแล้วก็ลูกก็จะได้ไปปฏิบัติธรรม ท, ที่ลูกตั้งใจจะขึ้นเขาเจ้าค่ะหลวงพ่อใช่ลองดูเ huh. จ้าค่ะพร้อมเจ้าค่ะเพราะว่าอยู่นี่ลูกก็อ่าปฏิบัติอยู่เสมอเสมอมันไม่ได้กลัวอะไรแล้วเจ้าค่ะโอเค แล้วก็มีอมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อเคยบอกว่ามีมีญาติโยมจากปอดแลนไปกราบหลวงพ่อหรคุยกับแม่แม่แม่แม่หาในช่วงนี้น้องจะไม่เจอแต่ก็เจอแม่อีกอีกสองท่านที่ลูกรักแลื่อขรบแล้วก็ท่านก็ให้ความเมตตาคือท่านนำพาสร้างวัดนี้มาตั้งแต่ต้นเจ้าค่ะแล้วก็หนูก็เพิ่งรู้ว่าคือวันนั้นได้มีโอกาสนอนด้วยกันแล้วก็ได้คุยกันเรื่องนี้หนูก็ โอ้ oh, หลวงพ่อสุดาติแม่ไปแม่ไม่เล่าให้ลูกฟังวันนั้นหลวงพ่อถามหนูอยู่ <g ülme> ก็ได้มีโอกาสทราบแล้วแล้วลูกจะเป็ดเกตแล้วลูกก็จะไปกราบแล้วก็จะจองขึ้นเขาด้วยค่ะเพราะว่าลูก <Okay. S 2> เป็นนานอยู่พอสมควรเจา้ okay. จาค่โอเคแล้วค่ะหลวงพ่อ่ลตอ น, นี้ก่อน น, น, ออยอยนะเจ้่ะแล้วก็การละมัศการเจ้าค่ะน้องแองต่อหนึ่งนาที สองนาทีก็ได้สองนาทีก็ได้เออวันนี้มาฟังธรรมค่ะพระอาจารย์ไม่มีอะไรเลยค่ะปฏิบัติธรรมเยอะเปล่าทำทุกวันค่ะพระอาจารย์สุดยอดแต่ก็นั่งสมาธิไว้ได้เยอะค่ะแต่เดินจงกรมทุกตีหนึ่งครึ่งเออตีตีสี่คึ่งถึงตีห้าคึ่งค่ะโอเคคุณควรจะนั่งต่อด้วยใช่ค่ะมันจะได้ความสงบมากกว่าเดิน ค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะจะแทรกค่ะเพราะว่าตอนนี้แบบว่าเอองเดินจงกรมเสร็จก็สวมดมนต์ทำวัดเช้าค่ะแล้วก็ทํากิจส่วนตัวตได้พักเอาสมาธิมาดเดินได้น้อยหน่อยก็ได้เดินสักครึ่งชัง่วโมงพอเดินแล้วมันตื่นค่ะพระอาจารย์นั่งแล้วมันนั่นจะหลับพอพอเดินเสร็จก็มานั่งต่อในการแล้วค่อยสวดมนต์ทีหลังได้ค่ะพระอาจารย์เดีย๋ยวจะแทรกไปค่ะ นะจิสมาธินี่สําคัญนะสติก็สําคัญแต่ที่สําคัญกว่าก็คือสมาธิผลของสมาธิมันมีประโยชน์มากกว่าผลโยงสติค่ะเพราะว่าอย่างเช่นแบบสมมติถ้าเอิงรู้เรื่องแบบว่าสมมติตั้งใจกินมือเดียวอะค่ะแล้วแล้วสมมติถ้ามันมีมือเย็นอยากกินอนะมารู้ว่าถ้ากินแล้วมันจะผิดอะแต่ถ้าเรามีสติจะไม่กินใช่ไหมคะก็ไม่น่ะบางทีถ้ามีปัญญามันจะไม่กินแน่นะ่ะถ้าเห็น ในนอาหารเก่านี้ถ้าึงอาหารเก่าไม่มามันจะไม่กินเลยไม่อยากกินเคแต่สตินี้มันยังพูดโธพุดโธนี้มันยังว่าไปคิดถึงอาหารในจานได้พอเก็เลยสติเมื่อไหร่ยังยังไม่กินฉันนี่เขกพเผอปั้าเมื่อวัาจันทรเข้าเข้าขาเราก็เลยต้องมีสมาธิด้วยสมาธิแล้วก็ต้องมีเวทีมีกำลังไม่สู้ับความอยากแล้วก็มีปัญญาให้เห็นอาหารเก่า เห็นความเป็นปฏิกูลู่ง อ, อาหารที่เจะกินค่ะ<า>ได้ค่ะมาจนโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณพอดีวันนี้เอิงเข้าช้าแล้วพี่ให้เข้ามานาทีสุดท้ายอ <yeah. S 3> ขอบคุณ<น>ค่ะ น, นาทีสุดท้ายให้กับคุณ ป, ปู่ป้คุณป้มีอะไรไหมกาบสาธุค่ะพอาจารย์ไม่มีค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติธรรมไปเรืเ่อยๆค่ะพระอาจารย์ก็ก็เดิมที่ใช้ธรรมะโอสถก็ ปัจจุบันก็ใจเป็นนายกายเป็นเบาวค่ะพระอาจารย์งานการไม่ใช่ตัวเราของเรานะเป็นเงินรับใช้เราเชั่วข่าวเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยใช้ร่างกายที่เหลืออยู่ให้คุ้มเลยค่ะพระอาจารย์อ่าดีาโอเคเดีย๋ยวงนท่นนี้ก่อนนะโอเค อ่ามที่คุณหลาต่อคุลามีคำถามมเนี่อากลับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดเจดคำถามจากทาง Facebook และ YouTube พระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าว่าอะไรกลับนมัส ก, การพระอาจารย์ครับการที่เราจะปฏิบัติธรรมเราต้องตัดความสัมพันธ์มิตรภาพต่างๆกับผู้อื่นหรือไม่ครับอ๋อไม่ตัดหรอกเพียงแต่ว่าเราอาจจะอ่มีความสัมพันธ์ให้มันลดน้อยลงเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติ เราไม่ตัดกับความ้ำามันกับใครทุกคนก็มีเหมือนเดิมเพียงแต่เวลาที่เราจะไปพบขบ่าเขาเนี่ยอาจจะน้อยต้องน้อยลงไปเพื่อเราจะได้เอาเวลามาให้กับการปฏิบัติธรรมผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกหรือไม่ครับ ว่าการสอนใจให้ละวางขันทั้งห้าควรละวางกายเป็นหลักก่อนแต่ถ้าอีกสีขันตัวไหนเด่นขึ้นมาในขณะนั้นก็สอนใจให้ละตัวนั้นโดยไม่จําเป็นจะต้องเรียงลำดับขันในการละวางใช่ไหมครับสาหรับร่างกายเนี่ยเราเราวางร่างกายให้ได้เพราะมันเราเห็นมันชัดส่วนส่วนนามขันสีน่นี่มันมาเป็นทีม แล้วตัวที่มันมาเป็นหัวหน้าทีมก็คือเวทนาในเวลาเจอความเจ็บปวดเนี้เราก็จะต้องวางมันให้ได้อยู่กับมันให้ได้อย่าพระยัดให้มันหายร่างกายมันจะตายก็ต้องปล่อยให้มันตายให้ได้แค่นี้แหละเป็นสองสองข้อนี่คือกายกับเวทนาส่ว น, นสังขารสังขารสัญญามันมาควบคู่กับเวทนามันเป็นทีม ถ้าวางเวทนาได้มันก็วางสังขานวางสัญญาได้สองคำถามจากคุณจูบอินรีห้าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสติที่เราตั้งใจทำอยู่นั้นเป็นสติที่ถูกต้องเป็นสัมมาสติครับก็ถ้าเราสามารถเข้าเข้าสมาธิได้ก็ถือว่าถูกต้องถ้ายังเข้าไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ถูกต้อง มิจฉาสติมีหรือไม่เป็นอย่างไรครับมิจฉาสติก็คือมีสติรู้อยู่กับว่าเราลองทําอะไรอยู่แต่ยังมีความคิดอยู่กับงานที่เรากำลังทําอยู่ถ้าสมาสตินี้รู้อยู่ว่าเรากำลังทําอะไรแต่ไม่คิดอะไรให้รู้เฉยๆคําถามต่อไปจากคุณเกียวกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ ขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายขบวนการผุดของความคิดในขณะที่นั่งสมาธิในเชิงขันห้าด้วยค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะอ๋อไม่ต้องไปสนใจขบวนการหัวนะให้เราพยายามอย่าไปตามรู้ท่านั้นเองเวลานั่งสมาธิให้เราอยู่กับกรรมฐานอยู่กับนมถ้าเราใช้ลมร้ายผูกใจไว้กับลมถ้าอยู่อยู่กับพุโทโธเราผูกใจให้อยู่กับพุโทโธอย่าไปสนใจกับความคิดที่มันโผล่ขึ้นมา คำถามต่อไปจากคุณประยูนยกราบนมัสการถามเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเวลาใดถึงจะเอื้อต่อการทําสมาธิครับก็เวลาเช้าเนี่ยพระปฏิบัติพพ ท, ท่านจะฉันเช้าฉันมื้อเดียวหลังจากนั้นก็หลังจากที่อาหารย่อยแล้วประมาณตั้งสงสามชั่วโมงก็จะก็จะไม่ไม่ง่วงนอนไม่หิวสามารถปฏิบัติได้ทั้งวันต่อไป คำถามสุดท้ายจากคุณรัฐวันถ้าถือศีลห้าต้องสมาทานศีลด้วยหรือไม่คะก็เหมือนกันถือศีลกับสมาทานกํคำเดียวกันถ้าถือศีลก็ถือว่าเราสมาทานแล้วคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเวลาก็หมดพอดีเลยสาหรับคืนนี้ก็ขอให้ท่านจานางนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ